นี้ไปขอเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายจงตั้งใจรับฟังพร ะ, ะธรรมปรเทสนาะเป็นธรรนองสารพัญญกคตาคสศปามาณิกาสืบต่อไปนะโมตัสสะปะก ว, ะวาโตอระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกว a โตอระหตัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโต อารังะโตสัมมาสัมพปัสสะอมสุโภปุญญาสาอุจยโยติอิอิอิอิ อ, อนวโรโอกาบตบดีอัตามาภาพังสามโรจะได้ช่วยกันแสดงพระสัทธรร ม, มเทศนาเป็นยนทำนองสารพัญญากรทาโสพสปปมาณิกาในเรื่องบาปเป็นทุนบุญนั้นเป็นกำไรจะเป็นชนย ขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงตั้งใจสระรับฟังณการะบัดนี้เทินอรนโยพอโยมเมอกรสิเดเทศและเทเลเทศเสียงสำเนียงภาษาอีสานเป็นทรรมนองสารพันยกรถาโคสปมาณิกาหรือว่าเลเสียงอีสานภาคธรรมบันเทึกเมนีสิเดเทเอเนเรื่องบาเป็นทุนบุญมาเป็นกำไร แต่วบุคอนสิเทนันก็ต้องสมมุติกันสักก่อนเพื่อสิสะดวกยกับปุถีและกัผู้ฟังผู้ข้าสิขอสมมติผาเทราดูเทระก่อนคือพระอาจารย์สีพมธรรมตรโรอยู่ธรรมาะขลางทรายมือบั้นเกิดเมืองนอดผนอยู่อำเภอย่างตลาจวัดกาลาสินเมือนีข อ, อาราธนาณีมต์ให้อารัอาานอาจารย์รับนาทีของนั่งกันนีกาบันีโวคามาธรรมาะกลางพระสุรชัยสุรเชยโย สำนักยูวัตธงอำเภออากาศนำนุ่ยจังหวัดสกลนครมื่อนี้ขออาราธานานิมนต์ให้รับตำแหน่งราธีแทนสโสภณผูู้เป็นบุตรชายส่วนตัวภูคาจันศีสุดากุณวิโรยุบันศีเอกตะบล บ, บาว่าอำเภออากาศนำนุ่ยจังหวัดสกลนครมื่อนี้กสิเรตส ม, มุติตนเองรับตำแหน่งราธีแทนแยกกันญานีผููเป็นมัรดาอั บ, บัติหนีเพื่อบอเป็นการเสเวนา ก็ข อ, ขอเชิญศรัทธาญาโยมทั้งหลายจงตั้งใจสระรับฟังนักการะบัดนี้เถิดจะเริญพอนก่อนสีเวบวเข่าในเรื่องนิทานทำกัญโญเบ้อหวังสิน้ำออกค้ำก่อนเมื่อวาไปให้มั่นแจงมาสแสดงเสียงเทศทแหลท่ทำ น, นองเสียงประยุกต์ใหม่ขั้นบอดแจงให้เติมไฟขั้นบอใสให้เติมแกว้วฟังแล้วให้จื้อจําขณะเทศทุ่งทองเสียงทรมามือนีสีบอดเทศลวงลําน้าแต่ขาคําสอน นำบทก่อนกำลังหิดฟิดป่านมั่ยแชมแต่เบาหวังทางโลโช่ผลงันขนาดเอกจะฝ่าวเบกแบบยกหล่อปัญญห่อแล่รอยเศ้า น้ำเื่องจริงยิงเรื่องเข่าบอดาวตืมให้คนยันดอกโยมเอ๋ยน้ำนิท่านขนานดดีพ่อกวีประพันธ์ไว้ให้มันใสคือแกว้วมันี่โชว์ลำขาทั้งขณะอาตามาบอดเหตุดาเข่าป่าเป็นเรื่องจริงแท้ๆที่มเว่าวให้ทานฟังทั้งสมอาจารย์สิได้ดำเนินเข่าเผยสำเนาเอาเรื่องเด่นขั้นคิดเป็นเปื่อเส้นมันค้องเต็มเกินกว่าลอยบอดหอยลำ่ำต่ำผู้ใด ณบัดนี้ท่านอาจารย์ศีสุดาภูพันไดรับบทของแม่กัญญานีเพินสิไขว่าจีว่าไปจังไหรนั้นอาตามาเป็นภูบนลย้ายเลื่องสีเส้าล่งปองไวก่อนบั้นบ่อ น, นี่นิมมตลท่านอาจารย์นิมมตขน้อย สุสังลปะเตปัญญ์ฟังด้วยดีย่อมมีปัญญาติอิอิอินวโรโอกาสบัดนี้อัตมาพาพระแผลซึ่งญาชนะคำคำสมมติจากตัวของตัวเองให้ว่าหน้าที่เทนของเมกัญญาณีผู้เปลี่ยนมารดาสืบต่อไปดังมีใจความ่าสามตาปานนฝ่ไปว่ามารดามีนามว่าใยกัญญาณีอันธนะก็พออยู่พอกิน แต่ก็ยังพูกใจเพราะว่าสามีนัได้ตายจากไปนานแล้วปล่อยให้ผู้เป็นบรรยาคือตัวฉันได้ฟุ่มฟักเลี้ยงดูลูกชายมาตั้งแต่เบบอจนถึงปัจจุบันบัด น, นี้อายุลูกชายนั้นยังเข้ายี่สปีพอดีโสภนาอันความขยันก็เป็นหนึ่งพอ ย, ย่งเข้าถึงฤดูการจะเข้าพรนษาแล้วนางจึงได้ออกเอ่ยเผยว่าจะกับลูกของตนว่า โสภณเอ๋ยมานิทียารีรอก็มีนักการะทางนานอนุสนทิกระแสรพระสธรรมเทศนานาวโรกาฏบณิตามาภาพ ผู้ได้รับแล้วซึ่งอยากจะนะกรรมคําสมมติจากเจ้าสังฆะชิระบพุทธชิโนรตซึ่งมีนามปรากฏตามโลกกิะของท่านว่าท่านพระอาจารย์ศรีสุดาคุณวีโรถ้าได้มาสมมุติต่อาตามาภาพนี้ให้รับตําแหน่งหน้าที่ของนายโสภาและจะได้ดําเนินหน้าที่สืบต่อไปดังมีใจความว่าโสภาตังสุตวาเอกังสมะยังพอรุรงชาวของวันนั้นโสภณผู้เป็นลูกชายของยายกัญญานีพอดีนี้ตายจากไป เลือไว้แต่แม่ตนเป็นผู้ดูแลจนย่างเข้าไวหนมอายุพน้นยีิปีในวันนี้มีอะไรแม่จึงไดเรียกหาเราจึงได้เข้าไปสู่ที่ใกล้มีอะไรคุณแม่จา๋าเรียกผมมามีเรื่องใดเนอคุณแม่เอ้ยมีอันใดจึงขานเรียกมีแนวใดจังเรียกลูกหรือมีถกอยู่ในใจมีอั น, นใดเห่แม่วผมรอดถ่ารับฟังขับแม่เม็นเจ้าเอิญลูกเอินเต่ามาอย่างแม่เอ้ยมือนี่แม่ คือว่าจังสี่ดอกโสภาเอ๋ยเดี๋ยวนี้นั่นพอของเจ้าตายไปแลว้วสิบเก้าปียี่สิบปีอย่างเขามาใส่เมผู้เลียงเจ้าจนใหญ่อาศัยกินยอนเจ้าเวลาเท่าแก่กาย<อ>บาโบราณเพิ่นว่าจังสี่เดียคำเพิ่นว่าจังใดเมเพิ่นว่าเลียงม้ากะวังว่าอยา ก, กินดูกเกลียงดูกะวังว่าอยา ก, กินเหือกินแหง้งผูกบักพริกมักแต่งกะวังว่าอยา ก, กินน้วยเนื้อมาเจ็บป่วยไข้กะวังว่าอยากนี่หมอ สารกาตาสาร ก, ะกระท้อกวังวาอยากใสา ย, ยาใสฝา ย, าย oh. เลี่ยงลูกยิ่งลูกชายกวังวาสิได้เพิงเ hmm. กิดมะฮึงเมกกะเทาจนไกมอผีแล้วตัวข้า ม, มือยเข้าใจไปตีเมวาในลูกลาโอ oh. อันเว่าจังเว้าวในเจ้าเ่าเจ้าแก่แล้วย่านบอมี่ผู้เมืองผู้แยงวติเมรตัวนี่เยเจ้าบอต้องเป็นห่วงดอกเมยลูกผู้ชายขึ้ตัวขาโสพระนะขออาสาถานอมเลี่ยงเบิดคุณแม พอย่องขุนเพลินแก่ยกใส่เสียนใส่เก่าพอย่อมหาแเมร์ถูกใจดอกแมรเจ้าบ่ต้องเป็นห่วงดอกเจ้าเท่าเจ้าแกแล้วลูกกะสีเบิงสิแงงบ่ป้าบ่ปอยบ่ถิมบ่ไรเจ้าดอกแม่์ตอนนี้เจ้าสิไปคิดอยากอีอย่งโซปนาเอ๋ยเป็นดังค้ำลูกเปลาเมรบอลเอาในหัวใจแต่ว่าในความขีดอยากให้คองผืนผา สืบ อ, ออกมาเอาเมียสอนบอกข้องมุ้นสิอกอุ่นหรือลูกเห็นต่างทางทั้งสินบ่ทอกันบ่เดียคำเบาสูมม่แม่ฟังบกกนาะ<อ>ในใจแม่ยังให้เจ้าบวชสนดออันเบาจังเบานในหัวใจของแม่นี่อยากให้ลูกบวชแท่นคุ้นสางกุศลผลบุญทรงถึงบิดาเจ้าวติเ ม, ม่นแต่ว่า ผมอยากฮู้จักว่าบุญคุ้เจ้ามันมีหน่อยมีหลายปัญญายสดอกเมร์นี่ขันสมพ่อบวชให้ลูกกะจังสิบวชสดอกเมร์ว่ามากมาเป็นทูเมรเอ้ยบุญคุณเจ้ามันมีหน่อยมีหลายปัญญายสดอกเมร์เอาฟังเดินลูกลาเมรสิว่าสูฟังนี่ ทมามดทเทียนวงบอกเหตุให้แจงทะเลงคอดอกสุฟังไหนตอนนี้ผู้เป็นแม่มารากะจังหวาจะต่อหลวงบุตตาว่าคอื โอ้ยเป็นว่าคนหนุนี่ยเกิดมาต้องมีพ่อกับแม่คันว่ามีพ่อแม่ทสังสิได้หนอเกิดมาเนี่ย บ่หม่อมีรุ่นฝากขนาเลือนดอกผู้พาม่อาจเอาอย่างมาสั่งสาเทียมได้ไยผู้ลิมคุณเก่วมันดาพวกกับเม่ตัวน่ารกเทียงเข้านาวแนนอน ในระพวงนเดือดร้อนเาคนเห่งบ่มีหายตังม้เป็ดจีเม่นบ่มีคันน้ำแลวมันระเกลีวมีคนอันเนรอาจนับอันทวนนันคนแกวพ่อแม่เก่ เมลเสียเป็นฝาเป็นกระดาษดอกหอมเขียนเอาผู้เข้าเป็นปากกาขีดเขียนพระคุณเจ้าเอานาทีท่านนาสมุดหอันกว้างใหญ่มาเป็นเมื่อขีดแต้มพระคุณเจ้ากระบอก พูนเมลายกระโอดพูนของพ่อก็คือกัน อา น, นันตังอสงไขยนับปอยประคุณหาละหาประมาณบ่มีในแนวในในบ่มีท่อขอให้พวกโลกเตาประคองไหวยอย่าลูกคุณ ตั้งเตมือเกิดพวดคุณพ่อแมรอกุลเล่ควอยท่านวอมโบตายูสุวรรณนงลเลงสาวเขนเมควางดอกค่อยเฝ้าท่านอมอุลุสัย tằng tê hoài tròn châu đầy nhây mang, phun mè h ò n g bò, tè nhăng nón dù nay u nhãng m i u h ế đây khăn he a y và eo n โจมดอกหัวเข้นเหมือนตาดูพอหิมหีคุณไม่มีเลเห็นขนุไว้บใบตอคุณเดี้ยหอมดอมแก้มน้ำดูหลวงา nhâm k h u một bốn hóa c h ỗ c ầ u c ò n nhâm hoàn để h o n viên nó c h ẳ n g đi kỳ nhau đây t i ế u bài มืนปันได้ก็ะพุงมฟาเชตทวยดูเกีียงพ้นแม่วาซาลีางเพียนดูจนวันยิ้ตสูง่าในปากว่าพระคุณเจ้ากาเล่าสอนสอนในหนียนึ สอนให้ยืนสอนให้เดินสอนให้เอิ้นดอกพ่อแม่เนี่ยสอนให้เอิ้นเท่าแกเอิ้นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าแม่ญาเนี่ยสอนให้เอิ้นน้องไอเอิ้นปู่ญาอกตาเนี่ ให้หูวจากจำไายแยกงานกันสางสอนในทางเรียนรู้ก่อกาและก่อกจหัวจากหน่อยจากง่ายให้หูวจากปากว่าพระคุณเจ้าก่าเล่าสอนเขียนบทเพลงแม่กาปน โอ้ยนนบเป็นแม่กากอมพียนานอมจนในกาขันมาแล้วอย่าว่าโตย้มพ่อมตพอมโูเท้าพ่อฟหาให้กินบ่โส้าขอมาเท่านี้เป็นหัวลูกเป็นหัวดอกเป็นหัวพ่อมีเหียงล้ำในให้เปียนกรรมมากัง แม่กินข้าวเมื่อลาปานเงจำเจ้ากะหอยเกลือเหลือจังบุทธตาตนอิ่มเต็มจังเล็มกลางหาสะตางใหุ้วดไส ไให้โลกจายอยากเป็นเจ้าอยากเป็นนายเป็นตำรวจกวนมาก็พาโซมุทหานอยากเปี่ยนเวรยุมัน พ่อพาอล้ในธรรมนาอยากศึกษาเรียนมนเป็นสร้างคนดอกกันขาน่ยอยากศึกษาเรียนรู้เป็นคนรูเป็นแพทย์เ่ยพ่อแม่ตามเฮ็ดได้ขนาดกูสูเน Nhá mẹ lièng nhảy lèo hề bột kéo khâu ว o vá, bột bến xuống con đò na, na luộc nè chắc phán x จะกลอบมาจังเอาเมียจังเหม็นควงรอความเขาเอาให้ฟังบางดูลามเมีนี่ขอพระลับนก่อนจางลูกเมีเดี๋ยวนี้นั้นเมียกอดเก่นับแต่ันไก่ห ม, ม้อมอบ่าจาองหม้ อ, อมเงื้อเงี่ยมอบ้อนตา หลวงชายช มันตายมันกระเซาเฮาไปมันก็โดอยดังค้าเมศสอนกะเบาตัวเจ้าว่าจ้าไหนโสเอ้ยสิบวันี่เมไปลูกลาคุณแม่เอ้ยเบาถึงคุณพ่อแม่นั่นลูกบวปล่อยลืมเสียแม่นได้เมียบวังลื้อแม่ตนผู้คนเลี้ยงอันน่าใจแม่นี่อยากให้ลูกบวตจากพันสาวติแม่แม่ละลูกคำเอ้ยพอเจะตายไปแล้วแม่กระเพียรถนอมเลี้ยงดูมาจนเจ้าใหญ่ขั้นแมตายกะบวฮอนขั้นเห็นเจ้าโฮมผลาเรืองตา แม่กสิตายรับหูรับตาตายบวชบวิเนตรกนตรจังหวัดสนอ้ามอ่านจังสันกัฟังด้ยแม่ด้วลูกสีบวชสู่ฟังวัลูกสีบวชด้วยบวชนันแม่เอาวาให้แม่ฟังบวกระนาข้ามแห้งอีแม่เนรมนฟังก่อนเดือกันงมท่านเน่ ผู้ทมาในงานให้ใจตั้งดอกจอดจอขอโอกาสเดือยุ้มเมีขอโอกาสเดือยุ้มพอ่อเปิดประตูป้องทางว่างกระนูถก่อนแนะนำ ขอเอ้ยก่อนบอกจำเสาคำอย่าลืมตายให้หาเพจไนหาง่ายไ ฟ, ฟยวัดว่าอย่าลืมเมนณะทางผ่านนี้เป็นเลือกแก้วสิ้นแลทลท่านสะพันไตสิ่งที่พาหนาไปนี่จากทางโนเค้อขันเมื่อฟาสูสะบันนะยาย่าผาดว่ามือนี้ เมื่ออื่นมื่อไปเดี๋ยวกะตายบ่ท่านเห็นสีลองลอยข้าแก้งแสงพ่าทถ้ำบ่มาพายสิแลท่านบ่เคยแต่งเงี้งแต่น้อยุแกวสาโทเราบ่าลงรอยนั ส้ากินดีแปลงกินก้อยขันปล่อยแสงพันเสียงเพลงเสียงบันเลงแต่สามหกกะตั้สูงเสียแต็มเมตามมาเม็นปอกดิ้งจากันดอกเสิงสาผัวมาเมียกะเลีนลุงบังจนว่าอ่านนั่นล่ะนาเม่อบ่โย น้อพ่อกันแล้ว บอนั้นไปยุ่มเสีดาหาไปถูกโพกนั้นหามาถูกโพกนี้ยุ่มเสียหายดอกว่าฉันน่หันมาฟังคันบอลบันคำแม่เก่าสาราพันอาสัจฉ์แต่ความรักพ่อแม่มีแกบูดหน่อยเป็นคำพ่อยหรือมีพอมผมทั้งสองนั้นเป็นพ่อกับแม่ผู้นลากผู้ผนแก่แม่กะเพียนพอกะโต ขุนถนอมมุมขันใส่เผานาทุกข์ทอดกาบเบาแมนันจอยขันโซผามอดตาลับปอยอมนอนยามเมื่อเฮาเจ็บไข่ใหญ่ขึ้นมาบ่อนท่าทำตุขันวอดจริงอย่าทำท่าเป็นนักเลงสิงแต่ทางก้าวลายคันมาแมงตอนภาคด่า คิดเห็นเขาวก่อนพ่นแต่ยังก้อนสอนเด็ไปบ่อเลีวเดินบ่อทั้งพ่อเขียหลังดอกทั้งอุมคุ้มขี่ขอทางนักนาบ้าเมียขอนหาบกะตาซัวว่าเฮาสี่ใหญ่มาลำบากหลายผู้เพลียงเปลืองเขาดอกตอนปาทุกข์กว่าดินง่ายกว่าฝ่าหนากว่า กว่าผาเพิ่งเลี้ยงมาจนเฮาโตมากมายพางคุณทานนะลูกสาบันเอาไว้สิ่งไดททาไม่ถูกใจลูกทาได้บ่ต้องห่วงบวชเป็นสงให้แม่สวงอย่าห่วงเลยลูกบ่คานพางคุณทานลูกบ่เลย่นนะ สีให้แม่ปราปึ้มกับทั้งพ่อผู้ล่าตายหมายบํา เ, เพลกุสนทานขันแพถึงผัคุณทานสุขสำราญศึกมาแล้วลูกเสียหาวแนลสับใแก้วมาเลี้ยงแม่ตหกลงเลยลูกรับได้พันศานเนนะลูกบอกขี้นันละนาะอี I'm in. สาวานเอาไว้สิ่งใดทําให้ถูกใจลูกทําไดประต้องห่วงบวชเป็นสงให้เมย์สวงอย่าห่วงเลยลูกบอกขานพระคุณฐานลูกบ่ลืมแต่ว่ า, าแต่ว่าอย่างลูกหลานอันมิแนวค่าอกค่าใจสะดอกเมย์เด้อเอา้าค่าอกค่าใจเรื่องใดเบาซูเมย์ฟั่งบกนาคามอันแนวค่าอกฆ่าใจก็คือเรื่องผู้แสผู้สาวสาับเมย์ขั้นว่าคอยไปบวชคอยยันเขาเอาผัวปะคอยกอนสะดอกเมย์ดยนี่ โอเรื่องผู้เสพผู้สาวอหลักมีแฟนมีสูคเคยมีกันมันเกล้วยมีสูมีแฟนเม่นผู้ใดดลูปลาสวยโกสซำใดผู้ที่มาเป็ี่ยนไผ่เม่นัันมีน้ำบาจังได้เม่นลูกไผ่หลันไผ่บอกเม่มาเบื้งรูเทาวบ้านพ่อบ้านเม่มันอยู่ใสมันซื้อบาจังไดผู้จบผู้งามซำใดก็บ่อไก่บ่อไก่ดอกเม่เอ้ยอยู่บ้านซีแยกเข้านี่ละเอาบ้านซีแยกนี่ติอยูอ่บ้านซีแยกตัวหลายยะ หลานย่ายมุ่นท่าตัวเมย์หลานย่ายมุ่นท่ามเมนตอีตักสบน้อบันนีน้อบอมเมีนตัวเมยเอ้ยซือซ้อว่าจังใดกันนิกาตัวเมอ์อีกันนิกาโมเดลกันยินิดน้อเอาว่าจังไดก็กลูกหลานซื้อว่ากันนิกาดอกจันจังสั่นดอกเมย์เอ้ยข้านวอกข่อยไปบวชข่อยย่านเอาเขาผัวป ะ, ปะข่อยก่อนสนดอกเมย์ตัวนี้ ออืบ่มีปัญหาดอกลูกหล่าเอ้ยเรื่องนั้นนะที่เจ้าไปเว้าไปถามเขาเบิงให้บัวชตอบุญแท่นคุณพ่อคุณนแม่จากพันศาศึกออกมาจากคอมันให้เจ้าเป็นข้าวั้นว่าไข่เสียเอาผู้นี้เจ้าก็เห็นดีบ่คัดว่าตัดทีแม่เอ้บ่กินบ่คัดเล้วแต่ลูกหมัวผากผู้ไรแต่เมื่อเออถ่าจังสันไข่ยสิไปเว้าเขากันเด้อแม่เด้อขั้นเจ้าเว้าดีปันนี้กลับมาไข่อยสื่อหมากอีแปะมาฝากเด้อแม่เด้อแต่วใบจะขึ้นเทิงหื้อนเด้อเอา บ่ขื่นทั้งเฮื่อนทั้งสั่นได้จังได้มันสิหูจักเรื่องกันติดอะไรแม่เดอเนีเอาเฝ้ายู่แต่อันน่าอัน่นหันทั้งก็ได้ดอกโอ้ให้เฝ้าย่หนทั้งพุ่นเออปัดคือสินั่นเทบัดนี่อนไปไปข้าแล้วแต่ดอกลูกข้าจังสั่อยไปหาเขากันเด้อแม่เด้อเออเฝ้าไปเฝ้ามาเด้อคำเด้อเมื่อโสพนได้ตกลงกับแม่ของตนเรียบร้อยแล้ว ก็จัดการแต่งกายลงจากม่านมุ่งหน้าไปหาสาวคนรักอย่างเร็วพลันพอไปถึงบ้านของเธอแล้วจึงโดยเหตุการณ์ว่าเธออยู่บ้านหรือเปล่าจึงด้อมด้อมมองมองยวงห่างก็มีน้า ก, กาละครั้งนานนะม อ, อ มนีม น, น่นาาานมมาทวันรัตนายมสุขัสสนมิหันต์อภิวาสพันตวาทอันตรงลาบานมถนอมไว้ขึ้นใส่เสียนน้ำอือ พระพุทธเจ้ามีน้ำนอละ<อ><อ>หันข้าขอทานทานอบขึ้นใส่เสียงเบี้ยก่ยนยนยนอนน้อสิขอเอาพระธรรมทาน มาวิจารณ์ใหญ่แจกแทกนิทานนั่งพาอเป็นขอต่อเครียดักนะมอบผู้ฟังมือนี่ให้สมเจตะนาใหม่โอ้ยจังมาหลายเหลือเกินลันวาเทศนาไวน้นะจาระไนเป็นบ้านท ร, รมาคันตั้งแปดมือละ เลือนออกไปเส็จขวานเต้นปล่อยสีพาน เกิดจากกรับชาชันจังสี่คอยเริ่อจู่ที่เดียวบ่มีรบคู่สู่ตอนจริงแท้นัะไหลมุมแจพงปอนคำสอนคติภาคมากโดยผลเหตุของอันควมต้องประพฤตตามน่ะถามมาดุดังน้ำ ถล่มโลบโด่ไก่เจ็ดทำละมวลภัยป็ดออกจากใจเฮาได้จังมาเวนใหเจ้าทายาพุทธชาติมีโอกาสแล้วงนอเรนขออธิพันธสอนนะอือกาบาเป็นพยนบุญเก่าที่เฮามี เฮ้ยทำเนกันมาตั้งแต่บุพเพผละหันนา เคยทำบุญทำสร้างบารมีตั้งกอจังเกิดมือพ่อพ่อผสมสร้างได้ต่อเติมเรียนจบแล้วก็จังเลิมเิมแต่งแต่งกุศลอุทิศตนตามของอันที่เคยได้เรียนแบนฉันบ่มีอีกอย่างแล้วสิเป็นเอวเวกุล มีแต่บุญท่อนั้นในทาไว้บ้นไว้ฉันสิขอบอกไว้ใ้เติมตามประเด็นเห็นว่าทํานั้นมีหลายมากมายแต่ฟังบ่อคสำพัสสมเจตามสำเนาแปดมว้เจ้าอย่าเป้าปวดหัวยันเห็ดนับบอดได้ที่ฟังไว้พุทธบาลาย ฟังตากนน้องอ้พ่อแลแม่ตาทุชนอยากกังวลหัวยให้อวยมาฟังแว่นแนนฉันสิจารณนายให้จะตกใจกะตามตั้งนั่นเป็นคำเื็นอ่างเป็นขอาภาคขยายโรกเมอเนน เออทำมาากาคายกับมวนหมูผลปลาหนาผลนานเอาเวกินมากมันข้าวหลานเปรี้ยวหนาแรกทีเดียวก็เป็นต้นโดนม้าก็เป็นนอกออกเป็นมุวนบันทายจิอินเกี่ยวดอกหนวยมานหน นอกจากนั้นหากเกิดแก่นทั้งใบเป็นปัจจัยนี้ผลเลมกคนได้กินเนื้อนเหลือแต่นวลนั่นได้กินกันแทบรอยไอกระเปาายืดตอยกินในมัดอิ่มท้องที่เหลือไว้เป็นฝาจโคมนาอือแต่กที่ว่าผลสิ่เบาเก่าถึงมัน เพราะว่าขอจุดน้ำกันกล็ให้มันจนเสียน่ะคือว่าสิทธิธรรมเจ้าพระค่เฮานั้นมีมากก็คือรังไม่ปะไม่แท้ปลารังกันกี่พ่อโอ้โอ๊ะโะ เข้าไปลายตั้ชั้นบทสลุปกะเพียงสามเอน่ะเออทาสิทาอันบักคืออย่างว้ฟังเดียวนี่เีอศาสนาบัณฑาการอุทวัดพื้นประกาศบอกแจ้งแสดงไอเทศนางเออกาที่หนึ่งนั้นนามสัพพะสาการนั่ง การบอถสัวสาเวนจากบาทั้ง่วงนะขอที่สองหัวซาลสูวปะสัมปะทังก็กุศลในถึงความ ขอที่สำนันสจิตตาปริโยงสปานั้นก็คือการนอนจิตใจใส่ห้องสามอย่างนี้ผู้ตังวาดความโดยอสุกธรมน่าฉันิส่เก้าย่ำไม่เป็นตัวและทำเนินน่าเลยมีใจปองพองใสบะมองม่วงประพื้ตัวตามนี้ศรอสามประเภท ซื้อวาสดุที่แล้วหมดเสียงตู้ประกันแน่นอนปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันวัดนันประด้กันในเรือซ้ำตามที่ฉันในสาตุกได้ยุกมาเพียงเนียนน่น h ư thắm nay thấy chua chích o n tuổi tăng thiêng vàng tấm niết bàn bò nhóm trời này hết tôn độc na ạ tha ทิงหเดชตวาธรรมังเทนเซนโตัโรกาปนิตมาภาพได้รับแล้วซึ่งคำสมมุติสมัญญาชั้นธานุมัติจากพระเดชประคุณสุนทรเมธีซึ่งนั่งอยู่ด้านขวามือสุลตมานีซึ่งมีนามตามโลกิยะของทันวาพระจารย์ศรีสุดาคุณวีโรท่านมอบหมายตามารับหน้าที่สาวกนิกาสาวสวยแห่งบ้านสี่แยกปณิตมาจะดาเนินตบุพภประโยคของตนสืบต่อไป คอยซื้อกนิกาตัวยุบานซีแยกสาวสวยแห่งคุ้มมันไอซีแยกปุณละทั้งไปอันบันเสื่อมปุล่ะเออผู้บ่าวกมี่แหละตัวอายุ4ี่ปีผู้บ่าวกมี่แล้วยุบานเดียวกันในละเออเครื่องประเวณแบบผมยาวเด็ไอผมยาวบระเดณีเออ แ่ว่าโมนีผู้บาวสิมาหาประสันคือแดดล่มลมตกสีร้องไวยสิลาเทศเทถาผู้บาวจะเข้ากันเนาะสร้างผู้บาวมหาเทศถาผู้บาวกันไอ้ท่างขั้วพนขอมาเนาะไม่ขัวขอมาตัวเทศถาผู้บาวจะเข้ากันวันในเฮทีวัง แวะมาบ้างหน่อยเป็นไรให้เห็นใจค่อยๆพวงหาในเรืออะไบอกขออายเดือนหนึ่งมาเพียงครั้งขอมีบังได้หรือถึงบอเป็นเมียใหญ่กะมีตำแนงหน่อยเป็นเมีย ว่า <Diamond Hai> ดังการเด้อลาชัยอ้เด้อชายเออเอเออเอมวนยูฟูเดียวท่ากันนิกเอ้ยกันนกาเสียงผู้ใดหันมาเอ้า เห็นต่หัวโพออกมาไอโซสเต่เออพี่โซนี่ละเอาคือหัวเ็นต่หัวโพออกมาจากสวนกล้วยเขาเซินไนตแต่นีเด้คือว่าขืนมาถึงเงือนงสันเ็หอวายแม่เราสั่งไว้เนาะเราวายจะขนถึงเงื่อนถงส้นเน้อสันมันสคุบเอาเอสั้นมันสบรบณ์ไกูซำสั้นพบาลกับสาวมาหากันเจ้าสิแม่เจ้ากับบริยนงมาเฝ้าตัวหลักขึ้นมาถึงเงื่อนถึงสั้นมากินยาสูบน้ำอันว่าจันไดก็เดนี่มากินยาสูบน้ำเป็นบ้าติผู้ใดเสี่้ากินยาสูบน เจ้าว่าพิดตีเลยว่าพิษตัวสนนอหินผู้เบามากผู้บากละลอสนอโอ้ยหนอกกระสั้นย่านสั้นตัวเยท่บามากสันงงงเงเงเขาสั้นมาเป็นสั้นหยับนี่ด้สั้นหยับใส่ตัวเอาขึ้นมางเงิอนงกาหมาอบขอบคุณยังยิ่งที่กรรนิกาล่าตอนรับป่าใสนั่งเอ้ยที่วีโสมากมือนี่พีวาสิมาบอกข่าวดีนะ มาบอกข้าวดีข้าวดีอข้าวดีของเจ้าหนีสปินละเซเลนซาวบันเสื่อมเซเลาวบันเบว่าพินคอยเท่าเสือมาบอกเลย่อยเมนบอลสไปแต่งานกับผู้อื่นเมนบอลขั้นเป็นข่าวดีของเจ้าจังสันนี้หลงไม่ต้องมาบอกกับข่อยเลยบอกเมนจังสันดอกข้าวดีที่ว่านั่นก็คือพี่สีเข่าปวดเตี้ยนแท่นคุณเมยจักรพรรษา เออซื้อออกมาจังสีมาขอหมันกันิกว่าจังสันดอกข้าวดีดีเจ้าคือว่ากักไว้เจ้าคือบว่าตัลคือฟังบรรลุหรือมกักมาตจังดมเป็นซือเรียกได้อยเนี่ยเอาตีเออเจ้าศรีว่าจังไดขอยมาบอกข้าวดีแล้วเนี่ยเจ้าเรีนดีน้าบ่อสันดอกเจ้าสีทาได้บ่อสามเดือนนะนะสาเดือนตีฟังเด้อกานิกาศรีบ่อยฟังได้ไอเด้อเอาออกมาเพิ่งดูเอินอ้เนาะเขาเกิดรุ่นกระสังให้เกียดผู้ใชตัวห้าเป็นพุทลุกุ่งยิ่งเนาะยาย เหน็บกันนิกาหน่อยมวยผมร้อนจอนเข่าใสีใจ้มายาลกเบกขลุบลิ่นดอกอ่อนหวานะใช่ว่าจะรอบด้านน้ำตาลตื่มมายาหญิง ความบัจยิงเท็ดลอกลวงให้าย้รวมเมรักขมหรืออวานบ่จักหัวดูกันไปใช่เรือต้อนามตะลึกโกทำาุ่งคือห้องไงส้มอ้อยเช็ดน้ำตาคนพิคขาคนพีขานองคิดว่าพี่เลิมหลงหันหน ห้วยหงองจนตกใจประมาไรหัวใจเต้นเห็นพี่ชายหายน่าไปไล่ยวานย่านมีไม่ไปพ่อผู้สุดใสสวยวไลเลยป่างัมโลนมากวัวฉันนะ น้องเป็นบังนำจ้าที่มันคุณมีตมพี่ไปชูบังใสบ่บนปา่นฉันดวดซอนหันหน้พี่ไปน้องเป็นซาดำควันปลาสิ้นตายน้ำบ่อฟ้าน้องเป็นพี่มานึกว่าลืมน้องแล้วเสี้ยวกลงพี่บอสนหันหน้ เออนึกว่าพี่เหลี่มคนมีคนไม่ลืมลองน้องประสุงล็อกคอยแต่ผู้เดียวคืออ้หน้าเกือบเป็นตายบริวาพี่นั้นเผยสำเนาพี่เมือว่าบอกข่าวกันนิกาแอบลุ่มเท้าขาวยังน้องโบ๋เมาขาวใส่แต่แฟงน้ำโอ้ยโส เล่นแกนหรือในโลกโลูกกาฮันนะตาบะมองใจบ่คิดต่อผู้ใดทั้งน่าละมีเงินพันแสนล้านบอสนใจวบาต่อมีใจฮักคมันแต่เพียงอายดอกผู้เยาวนะ กันนิกาบอกก้ยกิดหลบเลี้ยงนอกใจเพมีสวงแม่นโดนผีนั่นผีสินังของระสมเอาน่ะพี่ชายหมายของหมางกาซาส่งเพดบวดเทลคุณพ่อแม่นังอินฟ้อมทุกประการ เออเพีเป็นส่งน้องอยู่บ้านเต่าคำสิทำบัวละหันนะก็แบ่งทุนกูสน้ำในห้อมกันกับไายศึกออกมาไม่บันตั้มสัญญามาตกแต่งบอกว่าเต่าหลือเรี้ยงสิโค้ยตาตั้งแต่เพี๊ดียังน้องช่วย้ันในเมือนงแม่นแต่งบุญนั่นดอกนาสทธา โอ้โอ้โอ้โอ้โออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ rắc xào cho chẳng tiêm thi, phăng xào ơi ba chỉ, vạn quá tàn vạn quá hỏi, khấn vạn cho y n quá n h à n หมดแต่งตายยนนามบางหวั ง, งชิมลุดมดเลยตายชายได้ฟังคำบานบอยหินตองกะลือพังฟังเบิดตนทมเบิดนาขาดสติปัญญาขันตีตั้งบอกฟังบึงมีแต่หลงคลาเลยง มัวน้ำคำที่อดอ้อนอันขอปอนดอกรววานเนืเ้อหลูหลอดดานอันขอวานมีเนว้สมนม้ำพึงขมผสมยาผิดแรงข้นเกินคาดน่้อารักมามันเปิดหนาเปิดตาจนมัวมืดหูบ่อฟังตาบ่อแจ้งไผแปลงบอกกะบ่อฟัง สูพนาบ้าจังเป็นหนึ่งที่ลงไล่ควบว่าใจจงรักขันมักแห้งนั้นกันรอยฟังเสียงนังนั้นวันจอยเสียงพ่อยอยเบามวลมวลชวนให้ลงรถเบาเม้าเหลากั บ, บ่ปานนงกันในกาหานัง เจ้าผู้โลกสัตว์ทานทำให้พี่ไหลลงเอ จีดผ้าห่มำนอนฝันัำผจันดอกล่วงลอกะไตขอเทียมฝันเพียงมองจันสดสึ้นมือได้จันดอกแจ่มแจ้งคือมองหน้าน้องผู้สวยน่ขอให้รักพี่ด้วยมีเพียงหนึ่งกับพ่อใจพี่นันหมายดีดอมขันแตง่งานนอกราน่อห่างให้นั่งควงพี่ชายด้วยเพียงสามเดือน จะเป็นอื่นบวชเป็นสงสงฆ์าขันเลียนลูเเื่องวีไนน์นางขอตอบแทนพ่อแม่ไทยให้เพิ่นสว่งสุขใจโบรันไทยประเพนี้บวชก่อนมีเมียสอนน่ะสกออกมาพี่คอมันนัดวันกินดองตอขออย่าลืมที่ผูกมันสัญญาตั้งดอกตอกันนะเมื่อ วุมบุญคันว่า น, นน้องต้องซอยจัดหาเจ้าผู้โสวพาอย่าลายพังคำเบาหงนะหยุดสั่มเน่ า, อนนาขอลงคันความสำคัญหยุดไว้ก่อนถ้าฟังตอนขันบอนไทยขายายขอบางเงมุ่งนะบาปเป็นทุนเป็นจังแดนนั้นบุญนั้นเป็นกำไรจังแด แถบอทั้งปอยคอยฟังไปหาเสหัวโอโอโอ้โบ่นานเนนกาเสินนั่นล่ะนะสาาย ยิ่งที่กานิกาลาเห็นชอบน้ากันบ่อนั่งวันคงเป็นบุญมือบุเรียนเพี้ยนตังพีดีใจร้ายกันิกาเอ้ยที่เจ้าเห็นดีน้าพีน่ะนะกันิกากันจังสันก็ให้โซกับคือมันบานเด้อบอกเมย์จะไปข่าวพีข้านองบานเสื่อมบันซีแยกบันบววะผลละหอดอากาศผลละให้มาเตรียมการเตรียมงานไว้หอดึงงานกันิกากษตรเป้ยซอยได้ไอเด้อตาจังสันพีสิกับขึ้นเมื่อบานก็ได้กันิกาเด้อเอากระบอกซื่อยะเฝ้าเมื่อไม่หล่ะ สีเฮ็ดหังเดินเนี่ยเอานังบรทานอปเปอุนเปนอุนซำเนาะเออสีเ้าเมื่อไสกัดนี่ยมารูเรืองะก่อนจะไหนส้าเมื่อกินข้าวเที่ยงตัวเดเนี่ยจ้าเฝ้าไปไลอันเจ้าบวช3เดือนเบนบอเออสเดือนเจ้าสืบมาจําอจำยังไวจังน้อยน่บอประมาจํานี่ยอีเมลห้ ยืนยุางหัวพดมากกระไดเงินข้ามกำแกวแล้วก็บอหาจักบาดดิดนี่มันบอเ็นเงินเป็นข้ามยังดอกอันนั้นนะแมนอย่างเงินฮะเมนอย่างดนี่อันจุบุจุบุนจะกินนมยิ้มเด็ดนี่บออันจุบุจุบุเมมอย่างจุบุจุบุแบนี้ บอจักติเดี๋ยวนี้นะกระิมีแต่อมยิ้มเท่านั้นตัวน้อบอบเอ้ยขบคุณจักกันไปจักไปทนอยากกินไข่ซี้อมะหอยดอกันมือไม่ซะก่อนอันมือนี่ข่ซฟ้าเมื่อกินข้าวเที่ยงกันยังว่ามันจีบ่ท่านเอาเมื่อซะขันปึกกระไก็ได้ให้เมื่อไปกอดสอเอาดอก3ามเดือนให้ไปไปหอดมือการมือง่ำอย่าลืมไปซอยการซอยงานพีเด้อกันอีกาเด้ออ่ลืมดอกกับเมื่อสอโซเด้อเมื่อโสภนาได้ตกลงกับสาวคนรักเรียบร้อยแล้ว ก็กลับบ้านกำหนดงานบรรจะบวดก็มีหน้า ก, กาละครั้งนานสามาถาปาน า, ายปว่ามันดาคอยโบตรากลับจากเล่นสาวเมื่อเห็นโสปานาขึ้นมาบนบ้านเช่นนั้นนางจึงรีพรานทําไปว่าเป็นจะได้โสเอ้ยเป็นหาผู้เสพผู้สาวเขาว่าจังไดลูกลาว้าเหมเอฟฟั่งเบกนาคมอันแมยเอ้ยอันว่าตะคอยเปว่าเท่านั้นเม่ อ, มอันคอยยืนยุคห่างห่วงโพดิเมยเดี๋ยนี้<ด> ขนขอยไห้องไสเหนี่วเบิง้งเสียงข่ปิ้นยังเด้อเนี่มันเสียงเบิดแล้วได้เมียดอเนี่ยไข่ห้องใสแต่ลักหัวหมดเออไข่ฟังคว่ำเจ้าขึ้นอย่างหนึ่ตัวไข่ว่าไข่ขสีบ่บวชให้เมีเด้อว่าสั่งสมเดือนนั่งกะห้องนั่งกไหายได้เมีดอเนี่ป่านนั่นตีรัวเดียวนี้ยวันทั้ได้เศร้าหายได้เมีดอเนี่ยอันว่ามากไข่เลิกขึ้นสงสารนา่งกันยังว่า คอยคิดสงสารนั่งสงสารนัลลานั่งไห้เฮ็ด์ยังเอ้าก็ไห้ย้อนดีอกดีใจว่าคอยสีบวชให้เจ้าอัตโนะอือ ย่าว่าข่อยตัวข่านยันข่อยตัวเจ้ากระามข่อยเบิงอีโรดก็ได้ตัวบอถามลูกว่าจังไรเม่กระเสื้อใจลูกใจเจ้าเนาะข้ามจะวาจังสั่นก็เตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจเด้อเมสิ่งมองนางถาจังสั่นลูกสิไปกลนหัวถาเด้อเมีเด้อสิล่งไปทั้งวัดพ่อไช่เพื่อสิไปถามอาจารย์สีสุดาเบิงสะกอนบาคุติพันมีบอสันดอกมันสีบังหลู่ยูบอสันดอกอ่าบัดนี่เมฆกระเสือเตรียม สิ่งเตรียมของเตรียมอัฐาบริการบอกบุญอยากตีพี่น้องเด้ออยากตีพี่น้องให้มาซอยกองบุญกองบวชนะดิมเเด้อเนียนนับตั้งเตมือนานจนมาวาดมือเนี่เป็นมือแม่ล่ญ ได้ส้นใจมนุษเมงลุกคำเพ่งควงควายโตกลุ้มใจตาแมว่ามากกว่านี้กว่าฝ่าม้าหมถ่อนอยู่บนใจ สูกอยู่ในโลกนี้สุกบางใจนั้นคือปวดสู้หัวใจความมันลูกัวเรียนดอกเพี้ยต่างสวงความหวังมนุษย์เลวบ่มีเนว สีทอาทอสุของแม่สุของพ่อเห็นลูกปวดใจห้งห้าวันความเศร้ากะบ่เมี สุยู่ในลูกนี่นั่นคือบวชลูกใจตลวเสียคนมาจากสิบแสนข่าบ่อปานดอกคือวัวบวชเป็นสรงองค์เจ้ามีความสุขดอกมากเมื่อบ่อคือสูงเงินบัวท่านดนมากเมื่อกระสุนเสียงปนสายบอวว่าพี่น้อง ยายยาดอกเอาอาเลี้ยงลูกมาเป็นชายได้หอมเหลืองกาโศกรดผู้เป็นคนใจนั้นจะลืมเดือพากันบวชอย่าเฝ้าเบียดง่ายให้คนวายนั้นจังดีกันอยานี้ในมือ นี่เป็นมือหวามงบุบุญโผล่กไหลมามช่วยบุญดอกตอนเศ้ามีทั้งเงนทั้งเขาเทียนหอมประดิพัวพ้ากันบาเป็นโ ม, ม, ม่โมเพิ่นคุมเหนือและคุมใต้ได้เห็นหน้าโคสูกย์ุนขวจี ตาเล่ไม่สวนบูมอาจันทร์ทำบุญผูละสิผูละเสหโมสริพาไยกัะยังในบุญที่มีสิแบ่งให้เอาน้ำกันบบตานีเชิญมาณนองพี่ผู้อยู่ขวาและอยู่ายอย่าใจนิ่งให้ยังมา การญาณีบวชโลกลาให้มาซอยกันน้ำกาลงานของฉันงานควงโยมให้ซอยกันดอกไปบ้างเมีสาตานให้แบ่งกันดอกเก่าไว้บารดาเฮาตายไปเงินบาไปน้าโยมมีแต่บุญกันน้ำส่งเฉินมาเอาอันนีส่งให้บนบวชนานมากโลนดแบ่งให้ตานี้เดีย ยาวะฉันนี้กอดเขียวเยว้าเกียวแต่ทังอื่นอื่นให้มาเอาบุตรกอดทุนรักเอาไว้เมื่ออื่นเดือดสิมอบให้ออป้าชาพ้นไปบวชทางคณะสงเพลิกาพ้อเตรียมจอว่าทาคยอ โอ้ระชาทรงหนึ่งกาบอแมนหน่อยหน่อยพระสวดกระององทางพระสรงเป็นคาน า, ากรรมลายดอกอง้วยมาช่วยบุญสันบางมาด้อพวงเมญยเจ้าเ ด, ดทําแล้วไปตาสินใจยุสาเวลาหน่อยดอกมะมัง ออยดกันไปก้อนหอหนาเวลาใลจวนเธอเดืองแค่นมาปุ่มมโคตหัวดอกคนคิววัวมสีเหลืองผืนผากาสาสุงพีดผัวพูตตายก็ในหูให้บุญหู่ดอกสุน้ำ พีธิกรรมในหลวงล้ำได้ถึงเขนวัฏสาการผ่นทำนานหยุดพอดีระวางพันรอกสาเต่ารอฟังดูคนเท่าบ่ันดนสีใไก้หมเพรฟังกันจนรู้เรื่องบ่อนเถอ้าเบ่งกัน y a h e h a ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้รวมพอดีได้สามเดือนลูกความเพียรในฝ่ายสงฆ์เมื่อถึงโ ด, ดูการก็ออกพรรษาก็ลาเพศก็ถึงเขตได้แต่งงานใจเบิกบานยังไม่หายส่วนลูกชายก็เป็นผัวเมียอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน เอาล ะ, น, ะน้อยมแม่ยับในท่านใ น, น, นมั่นสั่นหันเขามากคือมากปิ๋นคนอยู่ในเดนดินเกิดมาในโลกกวงยอมมีบังละผาตว่าเงื้อคือจังผูขาแยกกัญญานีลูกชายก็ได้บวชให้แล้วตลอดสามเดือนเนะ อ, ออกพรนสาราพระเจาะา้าก็ไดซื้อคาลาเททก็ได้ไปขอนั่งกณดิกามาเป็นนั่งไผ่มาเป็นลูกเป็นเมียอยู่หันอยู่ซ่านน้ากันอิเมเอ้ยตอนตอนลูกไผ่กระคือดีหลายมาปีเหลกทองปีเนะ ตื่นแต่เด็กลูกแต่สาวนหนึนเข่าเปล่าไฟเต่งให้เม่ไปจังหันวัดภูมิ กูมือบ่อใดคาเดี๋ยวนี้นั่นตังเก่าโบาคือหลังจากว่าน้างเป็นอยังโรโบจักกันคว่ำเบาขั้นเมสสอนกบับบ่อใดเมบอกกับบ่อใดว่าแต่เมญานี่จมเม่ญานแต่ปล่อยเมญาดาเมื่อนี่ก็คือกันวัดสิลุ่งไปวัดสันดอกเปิลกะตีละข้งเหลี่หลวงพอ่อกระไดอ่าหยันมันสวยกรสิริผูกขามลูกไผล่องเบิงส่วนลูกชายก็ไปไห้ไปหน้ายังบ่ท่านมาไปเตะเศากดีอ่ากันนิกาเอ้ยกั น, นิกาก น, นิกาเอ้ย ศิลปสิลป์นอนกับแซงจะสงสัยมาอุ้ยมันหอนมันอยากกินเข่าเนาะหอนบุ๊กโบกอยู่กับอีขี้เหี้ยนนั่นละนี่น้ำแดงกระดษขยากกินเขาย้ำแดงกระหองโวกวากบบกบากจุก้นสิลับสิลนอนมันนอนเดิกมันนอนตื่นสวยมันนี่น่ะไล่เอาขอนตีหัวมา2อตนี้ก็น่าเซ มาหาหมหอยู่แถวนี้มันเด้องสรับสินอนสัประตาสั้งแท้เตากันดีกเอ้ยตื่นขึ้นมาเปิดประตูปองเอี่ยมบนกอน้างบอมเนหมาดอกเมญ่าอาาติเออเมญ่าบอม่นหมาอบงดอกตีก็คือเสียงหมาตอ้ว่าเป็นหมาอิบงมันอยากกินเข่าเสียงญาเสียงเมญาเอิญอย่าตื่นนอนเลยตีตื่นแล้วเอิญอี่หยางคะ อาเป็นอยังคือตื่นสวยแต่อีนางมันนอนเด็กกระตุนสวยเห็นตัวไปค้มาไปบ้านบาว่าไปบ้านเพื่อเจ้าบุญเอ้อท่านโบสว่วงหนีมีแต่บุญมีแต่ทานส่งที่สัการมีสิ่งกัมีมีลต่หมูกับมีไปอาบุญเอาท่านตัวไปกระไปดอกนางเอ้ยแต่อย่าปล่อยปะละเลยเบียงงานการสร้างสร้านล้านแปรหมูมาเปิดไก่งวงกล้วยไปเขามันก็อาศัยเข่าๆก็อาศัยมั่นตัวอีนางเอ้ยตื่นมาแล้วก็หูจักเบียกจังงานตื่นแต่เด็กลูกแต่สาวหนึ่งเข่าเปล่าไฟ เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านอยู่วัดอยู่ว่าบานเทาสิบดีตีนางเอารงเจ้าสุดท้ายคอยตีเฮ็ดให้เจ้าจังสิไปบัดว่าก็ได้สันเฮ็ดบัเด็ก็ข่ต้องไปตัวคือว่าพเฮ็ดพวไรๆศาสนาบุญๆนี้บะมีไผปันเจ๊ขันเท่บ่อยเหอาะไรคือไม้พากางคือจังเทากินเขาเท้ากินเท้าก็อิ่ม มันมาไปอิ่มทองข้าวุ่นพอบริพนิบบอกินรักษาศีลฟังธรรมมันเพื่อกันบอมมีด้บปรคือวาจังสันย่อม่าห้าเป็นไข่ห้าเป็นเท้ากับป่วยมันมาเจ็บป่วยไข่ขาวุ่นพอบรเป็นคือประวาจังสันคือเป่าดีปากดีแท่คือสอนบ้านสมมือเขาดีแท่ก็ให้เราเองตัวอย่างไ่ได้บุญท่านโรคประวัติโรคเบีวเองตัวตีนมือก็มีดยุตสเตกเข่าห้ามเข้าบักตูดีตัวมาสร้างฐานลูกไฟอีเท่ กันดีกาเอ้ยแม่ยากระโบหวังว่าถาบหวังว่าข้องก็พอเฮ็ดใดอยู่ดเอินฮะตายบรนรท่นาทีของลูกของเต่าสิพอลูกหนึ่งเขาปล่าฟใหยพอให้แม่กินโบแมนเห้อีหัวงอกรหัวขาวขาวหนึ่งเขาให้กินมันกรบโบแมนลยน้าเอ้ยปากเป็นเนาะเอ็นดินเนาะปากเกี่ยงว่าเป็นผู้ไรบอกข้าไม่เคยบอกจักเต่าด้วยขาไปให้หนึ่งเขาให้หุงเขาให้กินบ่ได้เคยบอกจักเต่เด้อหันสาลเน่เฮ็ดเฮ็ดอย่างค้าซาลเี่เฮ็ดเราเองค่ะอยากได้นาได้ตาย้เราเอง อยากกินฮอเกี๊ยวเองตัวเฮ้อยากกินฮอเกี๊ยวเองไม่ได้บอกผู้าะไรเหตุอะไรล่ะจะเป็นตายแทรกไปละแม่มาสร้างเว้าเท่สิธาเจ้าเหตุไหนเหตจะได้ไม่สิท่านอยู่ท่านกินเทตจะได้มสิท่านบานพ่านเมื่ต้อง่ากรย่งว่าอยากสแตกเหีเยาเองนิ่งยุบหอไม่ติ่นไม่เมื่อยยุตตัวมาสร้างนั่นแต่คนนอนกยับปลุกไม่ล่ะมันนอนนอนมันกับเป็นยังเเกลือมันหันดี สมมติเป็นยาดีย่องคักแนาอกันเลยจะเป็นมึงมักปล่อยมักลาแม่เบาข้ออ่อนมึงก็ได้เกาค้อมโพดแลวโพดแลวเอาคั้นเจ้าจังสันมึงกระนอนอยากนอนกระนอนสายอยากกินกระกินแม่สิเปวั้ยกรมึงรับนอยตาอีหัวขวาแม่สิเปรี้ยวกรดู้เห็นปะมีอยู่ปะอันแม่ยาแบบนี่บ้านอื่นมันเบิ่ออื่นเขาว่าขบมีได้มีแต่อยู่นี่แล้วโพดแลว เจ้าของอยากกินกระเฮ็ดเอากินละเองละเองละมือตีมือกับมีอยู่เฮ็ดได้อยู่บานเป็นเงอยเปียเสียขาบ้นเ่าไปหันมานีบ่ได้กราะเสียหเาอสเนกินแนอันนี้อยากไปวัดไปว่าพันมัุกสะไรบ้าห้าตัณติต่าหอดตีฮหอดหงศ์หงสาร์เ็มงกับยังบ้เ้าอยู่อยากได้บุญกเฮ็ดเอานั่นแล้วปเจ้าของบอกคือว่าแล้วว่าอยากได้บุญกเฮ็ดเอาอยากได้บาปกระเฮ็ดเอาเื่อวาเพราะยังมาปล่อยมาด่ามาเสงเห้าวอยู่โอ้ยอีเถ่าอีโซกโลกอีโจกโลกเอ้ยยาขั้วสิ้นพวไข่เป็น สร้งษดายาก่อนนนปรสาสร้างังเสี่มันอยู่น้ากันบรได้คอยว่าน่ะติอันนั้นติอันนี้ตัวเออเขาหนึ่งปลามาให้สเตกก็บสเตกอยากกินแป็นแคขงพุ่นเออเขาลาบไม่ให้กินกรบองกินติอันนี้เขาลพัดเขายังไม่ให้กินกระว่ามันมันเออไม่เขาเลตอลนสูงเออสเต็กปลาแดงไม่เลตอลตเอ่เลตอลเนาะลีนขวกรพ่านกันแบบนี้มันอยู่น้ากันบรได้ดอกก็หาเรื่องสยยาก่อน เนี่ยเผยชมหน้าอยข้างท่านผู้มารอฟังฉันผู้าอกเออ กันนิกาขอเฉลยเอ้ยคำคองเปิดจากเบาีนทางเค็มลดแรงบ่พอแกงจะต้องแกงหาเรื่องใส่ให้มันสมตมบ่มีอมมาท้าศาสละเรื่องให้มันเจืินฮั่นไผสิฝืนทนสัวกับนั่งกันกะลองเบิร์งิบคิลบ่เปิดบ่เปิ่งกะล้องกัน ตึนนานสิหาเรื่องอยู่บ่อสาวนาโอ้ยทุกมือนีนับมืออุ้ยนับมือเอาสังต่าอยามานาผ่วนโยกันมาตั้งหลายปีเพิ่งเกิดสังในปีนียนเถึงทำนี้บ่มีคือฝืนอดทนยันอกเน่าเฮาต้องหาเรื่องาปให้ใหญ่ถอะออกจากงาน เออบอลได้มันบอบเปื่อะแนวใสเททมือันาโคบเพ่แบ่หังพอนเอาตินเตะสามันา สั้นๆบั่นซองสืลอื่มมันลงคางหนึ่งถ้อยทราบน้ำมาก่อนกสิสักสูตรสะใสเต็มเฮิร์มเต็มสั้นเอออันนั้นอี้วนน้ำมากระทมแลลวจนเต็มบกอกประเทศเตมจักเธ่อะไรเออเขี้ยวเป็นเขียวได้มื่อนี่ประเทศเต็มผู้ไรเดกษ์สิเทลาดเฮืร์มลาดสั้นมันแดงจริงครึ่งเจ่านี่ผัวกับม่กับสิซอผัววายมียเป็นคนเห็ุมึงตายเมื่อนี่มีเถ้ามึงยังว่าบุกูดีได้เออ เสื anyway mm ้อ hmm. ผ oh, ้าอาเพผัวกับศิษะกิออกมาเนอะย้ายพ่อมคอยเลิกคันเบลาผัวมาถามก็บาเออญาญาตูนละเฮ็ดบางซีเดอร์เมยตูนละเฮ็ดบางซีเดอร์ย้ายเด้อนี่จะบอย้าจ้าแม่เออคำพจ้าก็ว่าพ่อมคอยพุ่นไปนั่งอยู่อันพมขามผม ทั ừ, va, no liebe, man, ir, ้งพ่องแยะพ่องยำซำเติมไม่มันเพี้ยทำไม่บัวของตนแล้วเห็นแล้วด้เสื้อลวงหันกันนิกาพาบรายเป็นลอกเป็นหนึ่งในเฮือฉันต้องเพียนทำลายเม็ญยาพังุนได้หันนต้องสดใสเป็นทางนญ่านี่เฮือต้องกบพู ไม่ยาาวุ่นออกจากเถือนหนีจากบ้านข้าวทำอะไรจะไปเอื่นนมาอีกได้โอกาสแล้วต้องข้า บ่ยอมปล่อยให้มัดเด็บทุกเจดีมีสองคนบ่แบ่งปันให้มันหน่วงเงินนะหลวงหรืออาปูฟังแล้วอย่าสั่งฉันอดไปก่อลใจเย็นเยือกเฝ้าหอนกำลังเ่าดอกบอนมันนะกันนีก่าท้อท่านอยู่จานจันต้องป้นปันถึงเที่ยวขุดให้ถึงกบายหากทอน คะแนนการนำไปทํำวานล่วงแลี้ม้ยาคนในผัวเสือทำเป็นในสือกทำเป็นในเอื่อนทงท่าบ่าทาเือนำพิตีให้กันยด้ซ่อมให้กันผัวมากก็สืให้ซอมผัวว่าไม่ญาตี คือยบ่คือก่สร <ante> ้างพิตีเอาเนาะเออนาบารม่เศร้าอมือมาทักให้นากรรม บอกว่ายาเป็นคุณนท่ำตีน้ำลังเลยนาจนพอยตามว่ากำเขียวฮะเกิดเป็นวันมีตั้งแต่คอดเขียวบรินังโซผักถ้าผัวมาเราทำดีแต่ฉากหลังเล่าหายนะยานเตตเตยถ้าฉันเอาอยู่น้ำายตีขอขึ้นไปบ้านแม่ รต่ยาน้อยอยู่เนี่ยอีกกัรน้องนะสิไว้คือนั่นดอกนาบอี๋โอโงงงงงงโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโออ มากสะกอนัวมากกษิตไห่เห็นหัวมยางมากกสิไห่ลัดโรหัวมาแล้วไหก็น้อยเสียงคนเล่นน้อบัดน้อโซพระกับจากหน้าแหล่วขึ้นทังเงื่อนใวใบเห็นเมียหองหำไห่ก็เลยเบาเกาทำเจ้าเป็นยังกันิกาเจ้าคือหองคือไห่ทักกิกาจะไปหองไห่จังไดหัวขากระเบื้องในปัญญากันน้นะ เบหนังเดีนี้มันกะมีเรื่องตัวคนจังหวัดยูนซือมันเป็นผีแบบมีเรื่องหนังบอกพี่มากบรุกการีกาเดีนี้คันเว้าจอลไปไปแล้วเจ้าเสื้อคเคมื่องไข่บอไข่เป็นเมียอันนึ่งแม่เจ้าเสื้อแม่เจ้าตัวเจ้าเสื้อบอกเขาเป็นเมียนะแม่กับส่วนแม่เมียกับส่วนเมียด้วยเดีนี้เมื่อมีเหตุพี่สวะตรงมีผลเท่าสองคนกระดังเดียวกันนั่นแมนมีเรื่องอะไดบอกพี่มากบรุกการีกาสิพิหาเหตุหาผลอย่างข้กระเบื้งเฮือนซ่านร้านไปอย่างเต็มเฮือนเต็มซานสู่ส่ซาๆอยู่นั่นน่ะม่เห็นมาเบงบ อันของเต็มเพื่อนเต็มส้นสะสหญ่ยังนี่ผู้ใดเป็นคนเห็ดนิกานิกาหมาฮะมาหมาหรือผู้ใดไม่ยาเห็ดหมาหรือยาดียนม่ยาเสิร์จบเจือเบิงดูกลเป็นยาเห็ดน่ะผู้ใดเป็นบ้าหมามเ็ดรบอกม่ประเทศโถน้มาไรตีมานั่นน่ะเบิงได้แปลว่าของเต็มเพื่อนเต็มส้นสะสะใหญ่ยังนี่อันแม่คอยเป็นคนเห็ดติดแวนี ก็ไม่เจาป็นคนต่กอสเเป็นบ้าไปเหตุต่คอยกีบนบอท่านเห็นาเ็แต่ละหมืแต่ละเว่นี่นะโมมนเราเป็นวอรล่ะจี๊ดบันซี่แยกบันบาวารับเป็นพีปปอเป็นกระหังหรือเป็นกระสือนะคะกเป็นตะยานเป็นติ๊กแทบันนี้ย่ำขึ้นเน่ยถอดหัวถอดใสไปห้าสแตกตัเ็กน้อยเบิร์ดเลิ ม่สิกินลูกกินเต้าเช่ไมพูกินก็กินลูกกินเต้านะคับผมตาเจ้าคือดำบานนี่เออม่็ยาตีเดชคือเห็นแันต้นนนี่ต้นเงินบังอยู่คือเห็นใบาเาเห็นเนาะคิดเอาเองติปากกระเบี่ยวได้เห็นอยู่บปากเบี่ยวคืนว่าเอาปากกระเบี้ยวติดเดินปากกระเบี่ยวีคือบกเบี่ยวลืมคิดพอโอ้ยน เล่าเป็่นปานนั่นเถอะนี่เดียวนี้เลาไปใส่ข้วอยู่เฮื่ออยู่สั้นเถอะนี่ฮะโอ้ยตื่นขึ้นมามักอกขึ้นมากว่าไปวัดไปวาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อภ่ายภาคนากันตายแล้วเสด็หฮังไดมี่ไดขึ้นสวรรค์สั่นแสบพุทธหากรวัจจะของค่อยตายพุมีคอยตายออว่านพระเววาไหฟังท่นไปวัดไปว่ากันเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านตายแล้วสิขึ้นสวรรค์สั่นสพระองค์ใดคยตายเวบอกครับพระองค์นั้นคือหุจักดีแท เล่าเป็นปานนั่นคัมปานนั่นแล้ปกับปานนั่นตัวก็ย่าไปเ้าเศ้านบสาบสี่กับบ่มาเมเจ้าน้หัวเรลาตายเสียเาอ้อมกุฎอาจารย์ฟังตีบ่เมียนบ่เมีนบ้านินซีแยกได้บ้านบ่าบ้านพุ่นนะบ้านเสรืองผุนเละอเราไปพุ้นจีด้ไปพุ่นเราไบ่ม่าบ้านซีแยกนี่เราไปบุญพเวทวัด สีป่นเร oh, oh, in, cioè, ื่องจีโอ้ยจักยังเลวไปแต่สาวบ้านมาจักเกลือเม่เจ้าผัวเราตายได้โดนเลวแล้วว่าวีได้เอยว่านั่นแล้วว่าวีว่าติหือแล้วว่าไปขยานแล้วมักพระอยู่ เราเป็นปันนั่นติเดีนี่ยเป็นปันนั่นแล้วะไรางขึ้นยังนี่ไปพหศัก์มาเจ้าเสกไฟเฮ็ดจังใดไปไร่านีโหลดแม่เจ้าเขาเจ้าวันี้เมียตีนี้ด้วยไรเลยติดเดียวนี่ไ้หนีตัวเไว้เห็ดแถวเล่าแก่แล้วเราอยู่งั้นลุชาสั้นนี่เป็นยังอยู่กับลูกกับเต้าก็เป็นยังเดินี่เท่าก็รสร้างเท่าต่ดนแล้วป้ตายจะเครือบอกตายก็ยังบ้าตายพี่พระซาห้องหาเมื่อหาเทือกก็ยังข้อสั้นทีริทิริอยู่พี่พระซาเฮ้อพี่พระซ่าห้องอีกกันย กัญยเนี่ยเลาเาเลาแก่แล้วบัวลเหล้านีแล้วจะนทลตายอย้านท่านอยบัวลอยเจ้าเจ้าศีรษะไหนอยีรีจากเจ้าสนก็บสอนผู้ทายมือืน่ยากไปหาเอาผัวไม่มือละสิบคนก็เลยดอย่าบอกจังสันอย่าบอกจังสันอย่าใจหอนเลยให้เรามาซะก่อนสนอคีรษีไหล้าเบิ้งสนอยไรโลยสามาตาปานาฝ่ายว่ามารดาเมื่อเศตษฐุระจากทางวัดแล้วก็จะกลับคืนสู่เคหะบ้านข้องตนบามืนดีออกจากวัดมา เพิ่นสีสวดพุทธาพิเษกบันเมียนนอยนอกไปซอยกันซอยงนนอันเพิ่นพ่อตมาเลวกะดีขึ้นนางลดมากกะหิดจังไดตาขามีนขางสายใหญ่ขามา ข, ข้าขวขัวขนหัวลูกทัวคิงลุงลดกะสินยางหอนยอนหอดสัานบ่อนออมือนีน้อ อิมินาสการินาอิมินาสการินาทางพุทธังอภิปุจยามา马拉ดวนดอมมาอิมาลาดวงดอกมา มาตั้งไว้ที่อาบูชาความบูชาคุรพระพุทบูชาคุพระพุทผัวที่ตาสรุมากลมาลสารพัดมาแล่วพุทธสิตายข้อเสเขาหัวยังโบเมืออยู่ ฮือฮ <h Ukrainian commencé> <h> ือฮอมากมากปัหาห้องหายเห็นอย่งอิมีน่ากับบักมานาเออมันสิึ้นสวรสด์สันสากห้องหามันอยู่หันแล้วอีมีนากับบักมานาหาคนมาตีหัวกูเนี่ยมาลาดวงดอกไม้เก็บมาใบใบศพกูเนุ่เฮือเอออะไรแม่แม่เจ้าน้าเออีเมะ ก้มบ้านตาสารพันธ์ท่าเป็นธรามะทโม่ือื้อือเนาะอันมานีเบงดน้มมา่ อ, อยถามเบืง้งโน้มนี่เอออัมาแหลโลกกลาไม้ยงเจ้าเบิง้งโนมื่นซ่นล้านแป้นี่เจ้าเป็นคนจังดแทะจังหาคว่ำใส่ตลกใช่ไมม อ, อันว่าลูกสะพยกับซ้ำลูกเจ้านั่นสังตีขาซ้ำหยั่งแทะเดี๋ยวเดีย <ม EN S 1> เด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดอ๋ยวเป็นแทเดี๋ยวยุดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวนด้๋ยวเดี๋ยนเดี เงือนสันล้านฟนออปเห็นบอลนี่โตป่าโตป่าโตป่าโตเม็ูดอะไรนมาเห็ดดันใสเติมเงินติ่มสา้นปานนี้เจ้าของเป็นคนเ็ดแท้ๆยังไปหาหาถามหาพื้นิว่าอื่นเป็นคนเห็ดติดอเนี่ยฮะนางโต๊บางส้ตางยานกลนกังจังปัง ป่าทางทึงเดี่ยวบึงฟ้าซาตาไข่หลดตั้มลงน่ะได้ยินฟ้าห้องพงยุกกำไฟแจนโอโหความจริงแต่ทางเมียแต่แม่ยังบ่ท่า น, านโห้น่ะโหกะปิดบ่อยยินซ้ำกำปิดตาบ่แจ้งหุงไพผู้ตำไพผู้สูงเลยถูกผิดสนิทแน่น ฟังคำบอกแต่ฝ่ายเมียนางทางกับเมโรลดบ่เอือเสือเมียก่อนบ่ฟังไพต้องเอาใจว่าทางเมียบ่เสือไพสิมาบาเมานำเมียสิเสียเข้าพักกะเดามันขมฝาดผู้ฉลาดจังอานพออันขมนั่นหนักแม่นยานเน่นาง วันเป็นลมขมเป็นยาได้ยินบอกวันแม่นเมียขมแม่นแม่ไพสีวะา้าตามแตะเมียแล้วขมขันจังนองอันวานจอยนั้นแม่นเ ม, นเ ม, นเมนียนาตาสินใจบอกเอาเ อ, อือเอาเมียก่อนบอ่อนป่าพันลายานั้นคือคนดันแม่คุณเมียเขาหนาเมาความว่านั้นมันสิน ล, ลินสอพอเมียคอยก่อน แนวผู้ชายใจอ่อนเสื้อคำเมียหมดทุกสิ่งฟินลิ้นเมากระเสื้อตามเาน่ะอีเมอเอ้ยลูกไัยมาอยู่บ้านงั้นเวียกเจ้าเศร้าหมดเจ้างดงงั้นกินสบายนั่งอยู่เฮือนหนามือสี่ลูกภผ่ดีเกินบ้านหาพันปีสีมีโบเจ้าเป็นคนสอพ่อสร้างปัญหาก็แต่เรื่องให้เครื่องหอนอยู่บ่ใบนาบ่พ่อให้เจ้ากะให้บ่พ่อในเนียงสัง มีันดบอึกซาดากันไว้วุ่นอยบบสนแต่ใจน้อยเจ้าคอยหาสังแต่เรื่องเทียงแต่ลูกสะพยปานไฟไหมจีเผามืนบอมเ่ฮมันบอมแมนดอกลูกหล่ะบอมแมนจังไดรักฐานเต็มหูเต็มตาปนั่นเจ้ายัง่าเจ้าบไดเฮ็ดติเมะตันี้ฮะเจ้าูเสือแต่เมียเจ้าเาลายเจ้าฟังเนื้อขั้นเป็นจิตมันดูน้ำกันบอดได้ดอกไขวานอ่ะนะ ต้อแตนี้ต้อแตนีไข่สิีสาวเลี้ยงเจ้าบ่ต้องเล่าถึงคนบุญที่มีได้ทาไปได้บวชเลี้ยงสนองแล้วไข่สีสั่งกะตามแล้วเนีวบ่ดีจะต้องไล่ไปให้เจ้าล้วงน้ำเงินไป ไปยุใส่กระซังเจ้าข่อยฟังเบาแต่ฝ่ายเมียนาเจ้ากับคอยบอกต้องเอื้อมีเมียแม่คนเดียวบอกเกี่ยวไผซะเลยอีเมีเอ้ให้เศร้าเมาตันหาผ้าโรงพยาบาลเมาปากหวานนุ่นลงเสื้อมัวแต่ฟังดอกคำเมียเลยเสียแม่ยผู้ขอยอันความเบาหลอกเหตุควงนาย่าเฝ้าสั่งเดือพีนองตกถึงป้อง คำบางตาอาวิชามันมาปิดซองบ่เห็นผักคุณหล่นเอานะคำหลวตูนเลยลืมทิมสนิมแจ้ก่อนบักใหญ่ไปให้เจอาลองนั่นไป ไปไกลกันโอ้ยมือนี้ให้เศร้าบ่เนียอยบอเอาดันละด้ยีเม่ บอดีคอยคขี้ขั้นเลี้ยงเจ้าริญบ่ดต้องมาเอาปากต่อปากมือนีแม่นเจ้าว่าอย่างมาก่อยบอมีทา่ามเสือ้อเจ้าแน่นอนแล้วมือนีนั่นเม่ ไปกัยังบอเขาบอให้อยู่หน่อสิมานั่งเสนอหนาย่างอยู่นี้โอ้ยแม่แม่ว่าเจ้าบอรักฟังความมีเตตสินใจสั่งให้เลกรกไกบ้านมานี ปากห้องเข้าไปห้องบร <ไป S 1> ิเงินในทองมานี่เดือหวานก็เลยกลายเป็นสวมมาสวมพี ขาบอกไล่บุญไล่คุณนอยู่นี่ล่ะบ่ไปจากเธอรอเฮีม่อยินกะบ่ให้กาดนุงกะบ่ให้ตายม่เลี้ยงมาตั้งเต่น้่อยได้คอยโอมดอกเก็บวิงเขีดบงคัหวดอกกอนเก่งบ่มีพอแม่เป็ียนดัทุกขอพู มากมายเมตุกันเน่นับแต่วันมีทองปราของขันรักษาลูกลูกเก่าเดือนจังในมมกันน้มจูเแม่กันก่อนเนี่แม่พอมหู มาเอาลำรีลำไลอยู่นี่ล่ะมาห้องมาหายอยู่นี่ล่ะไปไปไปไตายใ้ของไปพ่นอยู่วัดนเสียกันนั่าุดในตัวนำมันละกามได้อยู่ไฟรบคังพองปากไม่พองกินน้ำ กได้ก no ินป uh ั้นข้าวจีนนั่นบุญหัวเจ้าละตัวข่านบกได้ไข่เจ้าสิริกินที่ปั้นข้าวจีนนั่นพวกเจ้ายังมีลูกมีเต่าให้มีลูกมีเต่าลองบนสะกอนยังสิงหัจักว่าบ่ต้องมาเราลำรีลำไรไม่เป็นเจในลูกละไปไปไปขึ้นบ่ยักษอทราบเาพระนเงลูกมาตั้งหลายปีพ่กลตายเมตตโในทุนหัวดอกพันอา ได้เมียมารัดเป็นลากเอาฟังสังเมบอกวันห่าปนบิดามันละชตอบเตนด้วยความหเมน ไปหนึ่งสี่ตายข้าเฮื่อนนี่ล่ะสี่ไปดีๆหรือสี่กิ่งลบนี่ล่เน่ลซาเต่นี่น่คข้าเมตเจ้าบ่เลี้ยงก็ตามเต็มเ่ยคนบ่มิเจ้าบ่เลี้ยงบ่เทียงโตรกต่อขอบามนานจังซายยูดี กามเเมเจ้าพบว่าดอกต่างแม่ขอย่างไปตามทางตัวคว่างเข่าเขียนคอบาปะทุไปปะงวนหัวตัวล้วงเอแม่นี้เปียบดังกว่าตาคือบอมกอมันตายแม่บอมไอขึ้นมา ลูกโรคันเลียงมานสิเพียงของเสหากินไปโพลลาทีหากินก๋วยโพลาเวีนี่ไปตายโพลาหมองแม่ก้องว่าสั่ง โอ้ยเจ้าพู้แก่ยอดฝ่าเจ้าผูข้าดอกควันสมงสีเกล็ตมอยู่คือกว้งเบอวยไมาให้ส่ง่รงพอดอนทางไปกุหลดวดงต่างแดนผ้ลาน้อยมีลูกสาวคหยสวย กใจก็ให้กเกันเงินล้นบามากมว่าว่าไปหลายกาบใดย้าญยานําตาตัวหลวงจากอย่างวงสิ่งของที่มิสาย เดนินนาทางทั้งห o à n g hài เดินนาทางทั้งห o à จักสิไปร่างดันมากก บ่เห็นปองขาดทังยาดเหลือพี่น้องสิไปสลดพังพูได้เมื่อคืนตกยากได้ตกปลายเป็นพ่อทานยพ่อสงสารบ่อมีบ่ Ba mi ba khoa som e t ba mi ba. Oi de noa mi ba noa me mon ai, mi ba n o me luon ai, mi ba n o me si ai. มีบ no no no ่อนอ่มยอกเอ๋ยมีบ่อนอยายบ่งเอยมีบ่อนพูดให้เพ็นแม่มาผัวตายเอิยน้อไปก่อนวังอาใส่กินน้ำโลกอเท้ากะมาไหลซำกำต้องจรองใส่วิน Sa, thua sa, thua nơi sa. เดี่ยวลำและดัเดี๋ยวนี้นั่นย้ายกันอย่านี้ลวกเลยนี้จะเดินบานแข่งกันเดินไปตามความมือคว้มหัวน้ำตาลา พ่แม่นางหายผูเป็นจังสีสีมีบ่หมู่กาองกำโตจั่ว แม่กัญญาณีถูกลูกสะพยและลูกชายครับไล่หนีออกจากบ้านนางก็ออกหาขอทานกินตามประสาคนแก่ด้วยความลาบากทั้งกายและใจก็มีณตาระครั้งนั้นนตั้งแต่ทีครับไล่ไม่ยาบรรดาผัวออกจากบ้านก็เป็นเวลาขวบปีเอกทิวสังขันยุมาณวังหนึ่งนางก็ตั้งคันขึ้นมาไม่นานช้าก็ขอดบุตร จึงได้พูดกับผู้เป็นสามีว่าพี่โสเอ้ยแม่จะหนีโรงพยาบาน้องมีขั้นลวบาปกเมียว่าแม่จะเป็นกะลักินีกะขักยิ่น้ากันแล้วไม่มีลูกมีเต่ามาญาบแล้วโงพยาบาลไปได้ปีหนึ่งพันห้ากิบไม่มีลูกนอกจะว่าใบโสโอ้ยคงเป็นไปบไดายดอกกัญญาเอ้ยถึงข้าวมีมันก็มีไปตียาบถึกดอกอันเบามากตั้งแต่ห้ามีลูก คอยละคขึ้นฮอดเมร้าหลายเดี๋นีจักว่าเมรไปอยู่ใส่จักว่าสิไปกินกระเพจักสิไปอยู่น้ำไผคกินฮอดบอกมากคอยเราขึนฮอดเมรแห้งๆเขากะสั่งใส่กำใส่เวนเล่าขักกันยังวะเออคอยกันคือว่าคือกันนั่นล่ะตะกี้กะปงหูจักเราบ้าเมนะฮักลูกซ้ำได้ั้นหาได้ลูกได้เต่ามาหล่ะหาเราแพ้งลูกแห้งเต่าโนจาวาบอกมันกับเมนน่ล่ะเขากะสั่งใส่กำใส่เวนล่าคักกันยังวะคอยขึ้นฮอดเมร้าหลายยังวะเอาบอกมารกันนะขึ้ฮอดน้อยฮอดหลายซ้ำไดไอโซเดี๋ยวนี้นะ กันตันย้ยยมกาตาเวนนอธิต า, างนานันมีม้าประจำโลกไพพุทธยึดมัลสำคัญไว้ดอกทีใจน่า เป็นธรรมบอกไว้เป็นเครื่องโยคของโบทโคดบอดถึงธมบอดเต็มดังพืนเทศนาเสียดังเสื่อวางโคความดีนาละขั้นภัยมีบอดตกตามเสื่อทำยังกะหากลงจะเลื่อนขึ้นวางห้งดัง โสภานาพ่ลูกเรื่องคำว่าโลกกตันยุกควรนเถิดชูยอโยกขึ้นใส่เสียนบูชาไหวนนางคิดไปมากลายหายมาหนำเมียเสียทา เท่าพ่อแก่เมียผ่าผมควรนยกไปโบชาไใบดอกไซเสียนนาบ่ควันทำนอเปือนขันเลี้ยงทองให้ถึงโจทย์ให้โจทถึงลําพึงหาคาโค พาพมทานบุวผาจันคือสองเท่าบัวชักโคนนั้นจังแม่นมีลูกแขนจองหนาวจังหวานหู จังหวนโฮแม่เจ้าของออนะ่ะคิดขึ้นมาเกือบแม่นห้องบ่ป้องของไขรจังว่าใจเอ้ยใจมาเสือไหว้หนวใจง่าย ตายเสพคนคืนเสพขายังบ่หาได้คือแม่เลี้ยงลูกมาจนเฒ่าแกแม่บ่โตบ่ต้ อ, ตองขันเสียงหายกะบม่มีได้จากมือนั่นหอดมือนี้ได้ปีหนึ่งแม่นี่หายได้ลูกชายมาแค่นแอวคิดทอดแนวอ่านความ โอ้แม <enlisted> ่ตนโพคนถาวงเป็นมาอันชาตตามือโอ้ยเป็น กาดำเนรนัเฮ็ดหงค้ำพเลิาลวงมาเปือ่อนขี่ฝนไฟนนะกขอเป็น <ขอ S 2> พล<ง>ผโลน้อยถึกนี้ อ้อยเลยลงผิดเนี่ยวันดีบ่สันเซญนอ้นบ้างมาบ่ไอาสาหามนะือหนาคนทากรรมคือตัวคอยหวัวใจลอยอิทวดเมอ เขาเลี้ยงดูย้ำผืนแก่เขาเป็นพ่อเป็นแม่ลูกกาบถามนัวจังเสียเขาคงแย่ละแมเอ้หนามาสั่งพศแทเบใบกูใจอยากใจมันกูสันดังคนเลวฉาตกน่ละคนแทงนะแม่กูเพียนแม่กูเลี้ยงคงหักแพงมากนี่คือ ดังมีลูกหน่อยในตอนนี้กระดังกันน่นคิดทอดแม่อยู่จันจรหัวใจปั่นคันมีหมุนเนส่วนให้เมียผู้ทาเพ่พ้องไหนโตกับป่นนานเน่ตเป็นคนหัวใจสารฟังแต่เมีย b u f f i r เป็นจังไรก็แล้วแต่แม่อยู่ใส่สีสอกคนขันจนพ่อจังสีขึ้นน่ะขันบ่เห็นบ่เอาผื่นขึ้นอวยดอกมาหาพิศจาวาเลี้ยวซ้ำแต่ก่อนมาก็ตามเล้ยงน่ะสีไปหาพักคุณแก้วกลับมาเมือเลี้ยงแม่ไหมให้เจ้าอยู่คอยสิไปบ่เสื้อผ้ o อ้ h oh, oh, oh, oh, ี h oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh เลี้ยงคงหักแพงมากนี้คือทังมีลูกหน่อยแพงหายน้อยตาเป็นน้ำเจ้านรักกานิกาเจ้านั้นมีเอารับบอดีหาเรือหาเหล้าส่เมญาเจ้ามีแน่ไรสีสารภาพมาเจ้ากเวามาโรดเมื่อนี้กันนิกาพอวัน กายสมนเนกระตัวอโอ้กวักอยู่ในใจเมื่อได้ยินคนผัวว่ามันทั้งกายปันเมาเหล้าเมาบโซโอเทขต โอ้ยซึมเลืออยู่จังบ่าปากเผยอ้าวบารังนาเย็นเ็ดอยู่สังมางบานมาคังข้าของ พักละนอนกันกาแบบญามาตะนนองแล้วแนวตัวเป็นคือผัวว่าเมาหาคว้าใส่เมีย่ม่วนนาเลยใส่เหลืองเทียงตัวใส่ควาาโอ้ยแต่ผัดมาอยู่ว่ ขึ้นมาหวามเคียงหมอนขึ้นมาโนเยียงกยเพผู้ชายบอกเคยหายญาพูไปแห่งดีรอรอตัวเป็นคนหาเลื่องใส่เรืองบ่มีกว่าแป็เพะว่าใจโลเรียวยากของเขียวตั้งแต่มัวนอนนำ กันคิดไปปผน่งวงมูลมีอยู่เป็นของไัยใจมาหวานทวนคิดดอกจากเขาบ่มีแล้วนะคนผู้ฟังยากัดแขวแนวคนนี้ราชาตาั้มยอมได้ลูกมาโยน้ำ วันละพันคิดผ่อนโอ้ยน้อจังเป็นกวนเพื่อ น, น, น, นอามาจำนึกขวตอนมีลูกแขนแอวคนลืมเม้วเกือบบิดหนัวว่าจริงคือว่าปะนมือขอบผัวเขานองเหมือนเม้าตาเมืดบอด ม อ, องเป็นสองมอแจงนในตอนนั้นมืดสลัวเ <นา S 1> พีองมาซ้ำนึกชัวรตอนผัวลาพารลงเปียจิตของนางมันเลี้ยวซ้ำว่าอาจถอนอาบัยได้แน่ น, นองผิดไปแล้วเข้าเนียนองบอดิดให้ลุกท้ออีสิกดีสิสสง Tunes, ถ้าร้องฝังกระยอมได้ตามใจโจ้ดอกเผาป่วนาแม่ยาดีน้องผู้ช่วงกว่าความหลบโทษสามหาใส่ความมันดาไม่ยาวจนหนีบ้านน้องสันดานคนเกี่ยแนวความเพขี้ตะกลัวน้องเป็นคนสาสตัว หัวสิติแลกขานบอกขอรองดอกตอขามอื้นหนักอ้ยพิยน้องได้ปิดพลาดพังเรื่องบักไห้ไมมัแน่นักสีลงตาเลี้ยวใดเลี้ยวแต่สานสิตัดสินสั่งปั้นกะยังได ตัดสินใจสะดืออายน้องนี่ยินย่อมตายบอกขอร้องจกคุณนผิโอ้ยโคากตัวแต่โดยเดียจำเลิอไอสารภาพเล่าบอกขอสวนหนาตอแครีนั้นดอกหน้า ตัดใาโอโอ้โอ้โอ้โอ้โง้โอ้นอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้ยอนอ้โองโอ้อ้โอ้ตายบอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอรับ้โอ้โอ้โอยดีสโอ้ัอ้โญ้โอ้โอ้โองปัญหาสโ้โอ้โอ้โอ้โ้โ เมียขอโทษขอให้ยยกโทษให้เมียเด้อพัวค่เอาละเอาล่ะถือว่าพิษไปแล้วเป็นคู่ขังบักไงคอยกับพิษเจ้ากับพิษพราะว่าใจมอตื่นคือแทะดังกัสนสร้างบ่อนท่นได้ใส่อย ว, ว่าเราทรงยังบ่อหอดสูงเนิ่นดอกคอย ว, ว่าไปนั่งกับขึ้นมาซะคอย ว, วอย่าเหตุยังอยู่สุดไปหอดสูงเนิ่นตันใ้หอดอยู่อ๋อเล่ากะสิไปอันดั บ, ดบามาแค่ตะลุะ เออปลูกมันปลูกอันนันติเขือปลูกมะเขือตลบจูบ้านนันปูกที่ถวเม็ดมันตัวขจกี้ล้มื่นกลัวผุนปลูกเม็ดมะเขือยนบ้านบ่าวติดบ้านบ่าวแมีแล้วเอาันจังสันเท้ากับไปนําเล้ากลับขึ้นมาส่อยบาซัมบท่านดใสเจ้าไปเตรียมสิ่งเตรียมของเด้อ ขันจังสันเมียสีขาไปเตรียมเสื้อผ้าอพ่อนที่แม่เล่ามักนุงเนาะเมียเราหมักนุงเนาะแล้วก็เฮ็ดกับเขากับน้ำเฮ็ดเสร็จแล้วก็เอาใส่เป็นตูและเอาลูเข้าไปน้ำเอาจังซีเป็นยางลาเอาเมีวเอาเอาสนยองล่ไปน้ำเป็นยางสนยองจังแต่แต่มันมีติดนี่ของเล่าก็สนยองแหลมแให้เราใส่น้ำแกนนะดันบอมีดอกมันบมีดอกมีแต่ของเจ้านั่นแหะสนยองน่ะนะเจ้าสีไปให้ยงเด็นี่ยไปให้เราใส่ขันแท่นะ เออให้เราใส่น้ำเคนเทน่าน่ยสนยอมครับัรนลงุดตรงหัวลมันทันแท่นหน้าสิบว่ตาย่ิ่อยว่าให้เราหาเราหาเราข้อศักดิ์อักตายสันเริดโอ้ยปเบาตัวที่ัวเดนบต้องบต้องเอาไปดอกเอาเกบธรรมดานี่ละเอาลูกไปน้ำอยู่ป่ิมมันไปบ้านเปยังลูกเฮ้เอาไหเอาไปน้ำเอาไปน้าสีทิมไหวจังดเราเนี่ยเออเอาไปกลับไปสลับป้าหาไปปเมื่อสองสามีภรรยาได้สานึกบาปที่ตนทาผิดจึงได้คิดถึงผู้เป็นแม่ ท่านคงแก่มากกว่าเดิมจึงได้หาอาหารทั้งขาหวานลงในห่อออกติดตามหาผู้เป็นแม่ขาก็เดินตา ก, ก็าแลเพื่อจะเห็นซึ่งแม่ตนเอกทิพย์วสังขันอยู่มานวัดหนึ่งสองสามีภรรยาได้เห็นคนแก่คนหนึ่งผ่านมาจึงทราบว่าเป็นแม่ของตนจึงได้วิ่งเข้าไปกอดขาภาวนาทั้งน้ําตาไหลร่วงพูคุณแม่มาได้แทนมาอยู่ตลาดบ้านบัวในติแม่แม่เป็นแม่กันญ่านี่บอกแม่ สามาตตาปานะฝ่ายว่ามารดาได้ยินเสียงบูตราพูดเช่นนั้นนางจึงรี่พันถามไปว่าอ้าวโซเอ้ยไปจังใดมาจังใดลูกลาซื้ออไรขา่าเมยไปอยู่ใสอีกคำลูกปอใดมาอะไรขา่าเจ้าหนี้ไปใสดอกเมยเอ้ยเดี๋ยวนี้นันผมได้ตามหาเจ้ากลับขึ้นเน่าบานเกา่าลูกได้ผิดลวงแลวแแว้วเมียแกวกระดังกันตอเมยกลับขึ้นเมื่ออยู่กับลูกกับเต่าสามเมยหมายความว่าจังใดลูกลาเจ้าจว้าอีลีหรือเว้าเล่นหรือเมยพันไปลูกกาลูกว่าวอีลีนี่ล่ะเมยเอ้ย ตั้งแต่เจ้าได้หนีจากบ้านได้ปีนึงลูกก็ได้ลูกแขนเอวก็เลยขิดหอดเมขนาดลูกก็ยังแพงลูกของจ้าของป่านนี้แม ก, ก็คือสีแพงลูกคือกันน่ะล่ะลูกก็เลยมานั่มเอาเจ้ากลับขึ้นเมื่อเลี้ยงเมื่อเกือคือเก่าสะดอกเมกกลับขึ้นมือยม อ, อ, อ, มมอยู่กับลูกกับเต่าสาเมกโสภาเอยเมยดี ใ, ใจนั่มเจ้าเล่าขิ้งกมสำเนกบาร ขั้นเมสาว่าเจ้ามีลูกหน่อยเม่แหงห่วงคันิ่งลายลูกข้ามือเม่ดีอกดีใจที่มันบ่ายเกินไปที่เจ้ายังคือเย็นพอเย็นเม่เม่อาภัยห้เบิดถูกสิ่งถุกอย่างเม่บ่ถือถูกบ่จบม า, บาบดีแ ต, ตาแต่วา่วางให้เม่อเวาน้ำกันิกามันสิวาจังใดลูกลาเจ้าสิวากับกันิกาติเม่เม่นิกาอันมาหนิบงดูไม่หยาหยัมากใกล้ๆนี่เป็นหยังดนี่ไปยืนไกลแท่าเนี่ ก็ดึงใกล้จังได่อยฆ้าอุ้มลูกยิ้องอยเจ็บเอลอเก็ออม่าพี่สักก้อนมาขอขมาญาณุนี่ก้อนสิเมื่อ น, น่ะนะขอขมาญาณขยัาขายอยกอายแล้วขยดาลสสพัดอีพีปอบอีพีกะหังตทีตเดน <c oughs> ข ย, อยกอายเทน อ, อยา น, านอายเมียนันอายฮอดพุกอายฮอใสอายฮอตับอายฮอตไตตัดสินใจน้องลงพื้นส่องมือกลมกับญ า, าญาแข็งญา กะบาดมะข่อยดุนยายาค่ะซีมะขออยู่น้าจังเลยตอนนี้มาเอาเล้าไปอยู่น้าอัติเขาบอกพิดติเว่าไม่พิษว่าไม่เว่าไม่ยาค่ะลูกไผ่มะข่อยขมายาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยากระผัวบริเป็นก้นผิดลูกไัยพิดเองหาเรื่องใส่ไม่ยาให้ผัวไปไม่ยานี้ไม่ยาค่ะพิดดําเตือผิดดําที่หายาัยลูกภัย่จะได้ยาค่ะ กันดีกาเอ้ยขั้นเจ้า Sabha าาราศีบุหิษฐ์ถำอีกจักคือขั้นเจ้าเวาข้จริงจังสี่เมกลัลวะโอโหสีเมยบ่ถือบอ่โทษบ่โกรธบ่เครื่องดอกลูกลาว่าแต่เจ้าถ้ำดีแต่นี่ไปเมื่อนาะเจ้าสิบุหิษีคือเก่าหญ่าขา ไอ้ลูกไปสาบาน่าต่อไปหนีลูกสบาเให้คือเก่าเสีเลี้ยงญาให้เป็นถรำให้ตายกับเขาเน่ากับขาขั้นตายแล้วเสีย่นเฮ็ดทานหายญะเถอะเอามาเอาเล่าไปยูน้ำกันสิเว้าเรื่องเป็นเรื่องตายเฮ็ดยังเดี๋ยวนี้เจ้ากระไดฮะ ว่าวเนี่ยมันจบมันดีเน่ยว่าเรื่องเป็นเรื่องตายเหตุจยางดียเอาผัวกระบอกหุ่นจักอีอย่างอันนี้คือค้ามอัศรพธาคือข้สาบานไใบบาไหยาเรามีคว่ำมั่นใจเสลี่เท้าเลี่ยงเราให้เป็นข้ามให้ตายกับเข่าเงาเงากับขาเราตายแล้วเสฮตุนิทท่านให้เราตัวสักวันว่าวเรื่องเป็นเรื่องตายเจ้าใดตัวเนี่มันกระเบนคือเก้านั่นแหละคนเท้าเกิดมากับตายสุกคนสร่างย่านแต่ความตายก็ได้นั่งพบบอกพระเวยอยู่นี่ตายเบิด เมีนควมก like so ันดีกาละโสเอย่าไปเทียงกันทอมะกะเมนควมนา่งเวานาลาไปลูกหลาผ้าเมีไปให้โซเมื่อเอามอุ้งเอาหลานเจ้าในแมีโอ้ยขึ้นมาเป็ยนจังสันเอ้าคอเงาขึ้นเจ้าในตัวเมียเสื้อ่าบักสินซับตัวเมียอุ้งเอาในแมอีเมอุ้บไหวลูกลาเทาแล้วลูกของเจ้าอุ้เอาค้าเอ้ยเมียเบาไหวตเมขึ้นอุ้บไหวกัให้กันิกาอุ้ตอสนเมไปไปไปลูกลาผ้าเมขึ้นเมื่อมันสิคํา ปาปานีกรรมม า, น า, นมาเนีการลนตีดอกโมหานเนีผู้ได้เทิ่มนอ้อลงแล้วการทำกรรมบาปใหญ่ผิดด้วยกายว่าใจาใจลงละเลื้ เมื่อคันเดินโชว์ยิ่งกว่าเดิมนานสัวพนาเป็นผู้ทียมลืมหน้าที่ของบทสุดว่าเป็นคนเลี้วมากมายอนันต์เตือนนั้คือตัวธรรมะเลวได้ลืมแนวโน้ตยะ ข้ามลัดนาเจ้าของแล้วจังคิดเห็นนาเาได้ทําขันลาเวนในานาที่กัะตันโยโหว่าคนนั่นเลือหลายเกือบแมนสายบาทั้งแกนนัเลนมานดาสาวงอยเอา จนหากามือโ้อโอ้โโลกนี่เป็นหน่อคนถามมืใส่กับแม่เจ้ า, าพรบพมเสาด อ, อกเก้เสียงนาขาดละกาณาเทีย ขาดนาะที่ลืมลงองค์มันดาควาอโยโยขึ้นใส่เสียนบูชาเก่งนาองคพุดธัพพันสอนวอยู่ใส่ใจตามนาที่พรห ม, มาติมาตาปิตาลูพ่อเป็นผมแม่เป็นผมเป็นว่าไวาอาภายัยให้เิ้นบ่ถืงนาแม่ มีเงินตั้งมือนตื้อซื้อได้พอหาไม่ไหมพา ย, ายสิ่ดีรองคือผมพอแม่เขาคันส่องทานานัว่อคำหวานประสานพองส่องมือก้มกาบเ่ก้มกาบ เั<ม> <c oughs> นต้องงต้องไงลูกหลาเอ้ยมีอพ่าไงเบ้ทุกคนเอามือแผ่นแผ้ยนกขึ้นดอกไส่วัวนที่เม่เอยลูกควางเม่ ได้คิดชัวไปสัวหนึ่งมันหลงผิดจิตผมหลงไปน้ำเมียได้เสือเขารอกเข้าขังเหนือนางลูกเพิ่งวังเห็นโหกะตันโยกบพวนเมเป็นจังใดกะแล้วแต่ผิดตาเข่าน้อดามขัาามขงลลกวังไห้แม่อภัย นาะนะับตั้งแต่มือนี้ตั้งใจไม่บท่ทำผิดยาทาวาทีตะทาวาทีพูดจังใดผมก็ทําคือนั้นบ่มีวันพันแปรลาปองได้เลือทำสวะขอเถิดทูลเอาคุณเม่ขึ้นใส่หัวกั บ, บายเลี้ยงสอยคอยดวงนาะลูกสาไพภูบา โอ้โหผู้บาปกับใจเม่อัยนักสาจาใส่กรรที่ทาแล้วนะนางหลงทำเพราะความโลเรียนบ่ถึงโอ้ ออกให้แม่บอกแม่ว่ากูน้าเจ้าดอกแพภพรรน่ะันังเกิดสัวร้ายอีกเ่อะไม่ใส่หัวนีเซ้าเป็นผัวนังเลียวขันยักมันไปถึงบ้านนะลูกสาบาันชูนิวยงสองแขนปรกกาต้องพ่อผู้ฟัง เมผัวฟังเป็นพญานในโลกด้วยบอกคือเบาให้หากินเนให้กายแห่งลากเส้นับตอดอยู่คือมาปิดสาณาพ่วมเผยเปิดทางเห็นเรื่องบาเป็นทุนคือตัวผมได้ทำแล้วได้ลืมแลวพระคุณมเมไรผนีจากบ้านเป็นทุนต้นดอกก็กำเนรนาง นาเวลาขันหลวงล้ำได้ปีหนึ่งขันหนึ่งบนนบาปเป็นทุนบุญมาเป็นกำมไรยกแม่ตนนอกขึ้นบาลนา่ะผัวกับเมียได้กลับกันพักคุณแก่สมกายเมขันลูกนา้ ผู้ามาขันรอฟังเนคงบ่สังเลิมรักแคว้นซาแล้วเนี่หมวกกย พระนุกกราบลงปรุงพลังเท่านัขอขมายาติลาลูกขอโตเป็นมาแข็งอ๋อโตเป็นคนปากแข็งกายและใจกระอ่นอม ขยมแพร่ท the ุกระดินนานสิ่งสุดสวยให้สิขอรีเวนบัมเพ็ญใหญ่มีส่วนหนึ่งเปียบม้ามันดาทูสิไต่ต่อนนอกกำจอยนันกำนับเบาลูกทับเดวทำไมเนียวเก้วมองมอลือ So to go, be gone. เทอมละกำที่ก่อเอปมาทำต่างแต่ยังเด่นนับตั้งแต่เมื่อนี้บ่ย่าทาระกทำในไดที่ทำเพ่ลูกัยให้นักไอย่าใส่ใจควบลางพวลาบาปเป็นทุนลูกไปก่อ คงล้านเม่ยาน้องบรก็เห็ดยเพียงเสียวตอมิดงามโอ้ยมีแต่ไพนี่เกิดบ้าง หาญาคุณทำเปรตเพราะว่าจิตนั่งไหลล่องไปสัวขาวได้พลาดทางอาญาจะสั่งให้หาให้คุณนี้มีโอกาสกระบาดขอเป็นธามีญาเจ้าขอเป็นธาหลอกต้วงต่างนามอันพุทโธเป็นกวาง เป็นตัวย่างอย่าหลงเพดประมาทโขมจุโนป่าทั้งผู้ได้บรยับย่างการประมาทคือความตายนให้ดิกายทัเพ็ดประมาทมากก็เลยเสื่อมความเพลิดทับแล้วได้กับใจคือเลี้ยงงา โอ้สารพยังทำบุญไว้ต่อกรรลาน่ะเศรษายาหยองหงินนอนตื่นไม่ให้เลิมฝันลูกนี่กันน่ะสารับบทน้อยเน่งคือความเบาเศายสเศรษฐายาแมาดูเอาล้านไม่ยาก ดูรูปร่างกายาคือไม่ยาวตัวเสียนจึงหัวลูหอกคาคนมาเป็นทุนบุญมาเป็นกำไรพะได้ยาไปชุบเลี้ยงเป็นบุญคอยไม่ยากเอ้ยเป็นบุญคอยไม่ยาก ดีใจหรือเสียใจอันบ่เห็นประเด็นอลไรสามนนอนฟันได้ลงพือเตือนขันบังกะโบเมลมือกำแค้นทั้งสองแขนมือขวาจามโลภัยมือสายขอโกขูกก่ เฮาสามพลกอดกันอยู่หนิงหนิงปากบอกมันคาบลูกอุนอลาลกอุนโชคแม่มีจึงเจอพ่อเนา้ำตากรอไหลห้ำนาแม่ได้บอกเธสารความเอานักความเก่า บ่ถือแม่บ่เล่าความหลังหลังอดีตเข้าแม่ลุยนานมาลองเปี่ยแม่แม่มาเดาดอกอยู่พี่จนว่าจขันสุขความถียงยาำนอนบ่ย่อมนอน ผมตาลาบบมีดมมใดเซ้าขึ้นมาเมฆคาหายขามเล่งมาเมฆกาจู เนเทีเบงให้คุ้งตลูกน่อยให้วันพ่อแม่เจ้าคอลูกสองคนบ่ต้องอนแม่บ่ใส่ผกรรมฮะลูกขมามีเงินไรรงแม่บ่จงกัจจัยฮอดแม่บังอวดลูกนังฮ่าสุดใส่ใจลูกใจ องของแม่มีแต่ไหเแลวกังไหไปพร้อมอยู่ทีใจคำมาแม่นั้นใส่ย่อมให้ลูกทั้งหมอลูกสิดีหรือโคดแม่ก็ยอมมาให้ไหเบิื่อใจนั่งเหนื่อเมตตาทาให้เกลวการุณสวยเบี่ยงคณะเลี่ยงอยู่สบายมูดิตาอยู่ขอบ ไายในใจแม่มีเพียงสองฟองได้มีพงงามนอกจากดาวอยู่เธอฝ่าอุเบกขาบ่ถือเจ้านักรือเบาแม่ตวงส่างความในใจเบาให้ลวกฟัง ตายโทษเต้นลูกก็ได้หรือสิให้ว่าใส่กรรมเจ้าหัวหลานเป็นผู้เิดบอกย้ำให้อู่เทศคำสอนกนลาลยาการิปาปะการิปาปะกังตัวไปนี่อันความดีให้เจ้าตั้งเลื่อมเรื่องสัวมันทั้งหมอเปลี่ยนคำสอนตาต า, ตาตากอดพันนอดมาเราสอนสี่โยมุ ฟังอยู่ในนี่คงมีใจฮักโลทุกกว่าที่ไห่กว่าฝ้าบ้อมไม่ม่างลูกเจ้าของนี่ยบ่สั่งพี่ฮักดวงฮักกำกันเสมอการการกระทั่งมคือกันแต่ส่วนใจเสมอดำเหาสามคนสามนาศีกับด่านขวันตาคือ้ บ้านกานับแม่ยาฟ้าเปิดปองส่องมาคาเลืองย้ำดีแม่วสาสเฒ่าพ่อพันคือสู้สวันละบาปเป็นรุนบุญมาเป็นกำไรบ้านั้นเข้าใจบอกคุณโยมฟ้ามาเป็นดุคือลงเหตบุญนั้นเป็นกำไรคือตอนหายเออลูกใจเมียกับพื้นเลียง มันด่าตนจนม้ยหมดแล้วทิศย่าน้มทําบุษามแมงกัาไร่พอให้บุลูกได้เลี้ยงพ่อแม่ย่าบังป่าเดินยุ่งดื้อยาใจเบาเบาเสือฟังดอกคนง่ายจบบรรยายในหัวคอพอาเป็นบุญบุฟังเดชเหตุมันมีจังรู้แจ้งข้าหมดแล เออีมีกแมลาโ ปัดเจ้าฟั่งจบแล้วมิแนวจือใดบอขอสรุปทรงไทยคติขอยินตองขอให้พวกพี่น้องตะนักเดืองคุณโ น, โนเนเธอของบิดามั่นดาเฮาผัวพันเพียรถนอมเลียงลูกนั้นคือสายโซสัมพันธ์ผูกจองจริงแล้วใจของพ่อแม่กวางกวนเกลือหักเสมอแม่นว่าลูกขี้ไล่เกินลืน่นคาสอนเพิ่นกระยั่งสงสารเมตตาชั่วคำข่วรที่บุตรทีดาหูหว้วนตามตองอา่านอกของพ่อแม่นันไผสิกกรรมเกลงเทียม ทุกทีบท่านหูหอมตามกระบวนคารข่ธิบุตรธิดาคิดตอบพระคุณเหนือเกา่ากระตันยู่ตังเพี้ยนแพ่งหักหอเอาเดออันว่าพอแมนันทางมีแ้แถผู้เดียวพอจากแล้วกระเหลือแมยใบเพี้ยนแพ่งโสพศภนี้เข้าไปอีกค้นกระเบิดสินสี่หาไผ่แทนไหวสิคือสองเทปทานหาไผ่แทนถดไหวสิ่คือไทยพอแม่เฮาพอหักแม่หกักหรือพอเซียวแม่เซียวนันเหล่าจักสิอุนพ่อปันใดขอให้บุตรธิดาขีดไ ต, ต่ตองตามเรื่อง ตอนนี้ฟั่งคติคอบุติดาสนองตอบมีนาทีวหาอคอขวั่นโตตอบพระคุณคอหนึ่งนั่นเพียนภาคอุปธรรมเพลินเดอ้อคอสองทําการงานซอยการกุ่นเกือเพลินนั่นกายชาราแล้วการงานหนักอยาให้ก้อให้พ่อแมีแจ่มเจ้าหันเขาวัดว่าข้อสมโอวัตทานย่าสิลืนเกเลีย้ยาสิเพฟั่งบ้งให้เสื่อมเสียตระกูลทานคอสีนั่นประพฤติตนตอง ต, งตังให้สมควรรับมอบหม้อรดกเพลินหายวัรักษาวัยให้เทียงตรง ขอหานั่นยนีเมื่อเพิิอนอวยคงถึงถีมรลณาให้เจ้าทำบุญหาอุดทิศทานย่อนอมให้สังห้อมแต่พิ่งหนีสับายดีรูสุธานให้หยาดโยมที่ได้มาฟังภาษทธรรมเธิษฐานในมือหนีในเรื่องบาปเป็นทุน บนเป็นกำไรขอจงมีอายุวันนมีสุขะพระละขอจงมีแกทานไพ้ตองใหห่างหายเจ้าเทสุทศนาวาสาเนตทาที่สุดแด่งพระสัตรธรรมปเทสนาที่พระอัตมาพระพระสามรูปได้ช่วยกันแสดงในบนันนี้ก็พอสมควรแ ก, ก่การลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศชานิ